ก็คือให้คะแนนนี่คือการอะไรครับจัดลำดับจัดลำดับว่าอะไรคือประเด็นสำคัญสุดทุก์อันนี้ก็ได้ประเด็นที่เรียกว่าทุกแท้หรือว่าเป้าหมายได้ท่าบุกก็ได้เป้าหมายไหมครับเ ป, เป้าหมายร่วมแล้วร่วมไหมเพราะมันมันร่วมกันให้คะแนนอ่ะใช่ไหมครับร่วมกันแลกเปลี่ยนใช่หมครับมันก็จึงได้เป็นเป้าหมายร่วมใช่ไหม เป้าหมายเดิมเป็นของใครตอนตอ น, ตอนเป็นบัตรคําของแต่ละคนเนี่ยเป็นเป้าเป็นเป็นเป็นของแต่ละคนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เป็นของใครของรวมมันก็ได้เป้าหมายร่วมที่เราจะทําต่อวันนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะลองหาด้านลบบ้างหาจุดอ่อนใช่ไหมครับว่าจุดอ่อนเอ๊เราจะแก้อย่างไงก็เป็นจุดก็คือทุก็กคือลบลบลบทำร่วงมาเยอะมันก็คืออะไรครับทุกที่ใหญ่ที่สุด ทุกร่วมก็คือเราจะหาประเด็นร่วมปัญหาร่วมถ้าไม่เปลี่ยนคำว่าทุกก็คือปัญหาร่วมปัญหาร่วมปัญหาร่วมเพราะปัญหาร่วมจะสําคัญไหมครับเป็นความเป็นความตายเปลีเป็ น, ปนมะเร็งหรือเป็นอวัยวะเพศผมเป็นมันก็หนักมากใช่ไหมครับผมตายไปครึ่งตัวนั้นก็ถ้าถ้าใช้คืนนึงก็ตายทั้งตัวนั้น ไ อ, ไ, อไอ้ตรงนี้ที่เราต้องหาว่าเอในอโศกมีอะไรที่เป็นอามาพลึกบ้างเป็นมะเร็งบ้างเราก็จะได้แก้หรือว่าทานอาหารสู้กับเขาใช่ไหมครับงั้นหรือถ้าเรากําจัดได้แล้วก็ลือเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เรามีสองทางเองคือเราจะไปลุกเขาไม่ได้อย่างมากก็ต้องตั้งรับมันมีลบเข้ามาใช่ไหมเครื่องหมายมันจะเป็นลบทั้งนั้นเลยลบลบลบเราก็ต้องหาบวกมาช่วยถ้าไม่มีลบถ้าลบหมดไปไงครับไม่ลื้อก็เลิกเพราะไม่เลิกก็ตาย ถ้ามีบวกอยู่บ้างใ น, นเอ๊ะลงสีมีจุดแข็งเราก็ต้องหาบวกให้เจอเพื่อมาสู้กันก็เหมือนเราอาหารเอาวิตามินเอาสมุนไพรเข้าไปช่วยใช่ไหมครับถ้าร่างกายเราเอาสมุนไพรเอาอาหารแมคโครไบโอติกไปช่วยก็ชันใดฉันนั้นอสว ก, ก็ต้องหาตัวบวกไปช่วยใช่ไหมครับบวกบวกนี่มาจากไหนครับภายนอกไหมอันนี้ภายในไหมอันนี้โรคเราอยู่ภายในตัวเราเราก็อแมคโครไบโอติกเข้ามาช่วยเอายาสมุนไพรเข้ามาช่วย บางครั้งต้องเอากำลังใจจากพ่อท่านมาช่วยเอายาใจมาช่วยไหมครับธรรมะโอสถใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องภายนอกไหมอันนี้คือจะเห็นว่าองค์กรกับร่างกายเราเหมือนกันเพราะถ้าเป็นเรื่องทุกข์ทางใจเราต้องหายาใจถ้าทุกข์ทางกายเราก็หาอาหารหาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบไปเห็นจากการจัดลําดับความสำคัญเราก็มาจัดอะไรครับเดี๋ยวจะจัดต่อไปเรารู้แล้วอไอ้ทุกข์ใหญ่จัดเพื่อให้หาเป้าหมายที่ใหญ่ เพราะว่าการทํางานเป็นเป็นคนเป็นร้อยๆแล้วก็อาศกมีต้อง78ปดอาศกเราต้องหาสิ่งที่เห็นตรงกันใช่ไหมครับเพราะถ้าเห็นตรงกันนี่มันจะเกิดคํานี้ครับอะไรมันเกิดพังของพังศรัทธาพัางขับเพื่อนด้วยใจใช่ไหมครับซึ่งชาวอาศกแต่ละคนมีใจไหมครับอันนี้เป็นบุญพังบุญส่วนตัวใช่ไหมครับ ตอนนี้เป็นพังบุญร่วมกันใช่ไหมครับที่เรียกว่ารวมพลังเนี่ยรวมบุญเนี่ยพังบุญเนี่ยครับซึ่งซึ่งพ่อท่านก็ใช้ร้านที่ล้านพังบุญเนี่ยนั้นก็คือรวมพลังบุญก็เกิดเป็นอันนี้แหละครับคือตัวขับเคลื่อนซึ่งเราถึงต้องต้องหาเป้าหมายร่วมเราหาที่เราพราให้เป้าหมายร่วมเราจะได้พังร่วมไหมครับพังบุญแล้วก็บังบุญก็จะเกิดจากการทําบุญร่วมกันไว้อีกสิปีเป้าหมายร่วมนี่จะสั้นหรือยาวครับ ส่วนมากจะยาวเร า, เราให้คิดยาวก่อนคิดสั้นก็ได้แต่เราคิดยาวเพื่อคิดยาวๆแล้วก็ไกลเ พ, เพราะมันทําร่วมกันทุกฝ่ายยาวจึงภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าวิสัยทัศน์หรือภาษาแผนคือการมองที่ยาวๆไปในสู่อนาคตมีสองคับนะครับยาวแล้วก็อนาคตอันนี้ขั้นที่สามที่เราทามาแล้วนะครับขั้นที่สีเ่เราจะหาทางเลือก วันนี้เราจะทำแต่ทางเลือกอยางลงสีเนี่ย เ, เราทางเลือกคืออะไรครับที่เป็นสำคัญอันนี้เราจะใช้แมกโรเบลติกหรือใช้สมุนไพรตัวไหนใช่ไหมครับหรือถ้าไม่อยู่ต้องใช้จ่ายสู้ใช่ไหมครับผมผมตอนผมบวชกับพระพระองค์หนึ่งก็เป็นมะเร็งใช้สมาธิสู้ผมก็ใช้สมาธิสู้คือทำให้ติดนิ่งติดไม่เครียดก็อันนี้เป็นทางเลือกม อ่าสมุนใจอันที่สองอันที่สามใช้ใจสู้นี่ก็คือเราว่าจะใช้อะไรเราจะใช้จุดแข็งใช่ไหมครับใช้โอกาสที่อยู่นอกตัวมาช่วยสมาธิที่เราก็ได้แล้วแต่นี่เป็นทางเลือกสมมุติ น, นี่ตัวอย่างอันนี้เราก็ต้องหาทางเลือกที่จะเรียกว่าลุกทางเลือกว่าจะลุกหรือจะรับตั้งรับนะครับหรือจะลืละ้อลือล้อนี่แสดงว่ามีลบเยอะ ลบหลายอย่างไม่เลือเราตายแน่คือมะเร็งถ้าเราไม่หยุดทานเนื้อเราก็เป็นมะเร็งแน่ใช่ไหมครับเนื้อสัตว์อย่างนี้เราล้ว้พวกนี้เป็นเนื้อเป็นอะไรหรือไม่ถ้าถ้าลบมากขึ้นไปอีกแล้วหาจุดแข็งหาบวกไม่เจอเลยเลิกไหมเพราะไม่เลิกตายแน่อันนี้ก็คือกำบังเลิกเพราะว่ามันใกล้ความตายกันไปทุกทีแล้วนอกจากวัยนะครับคือถ้าเราเจอโรคเราตายแน่อันนี้ก็คือเราต้องทางเลือกใช่ไหมครับเมื่อชีวิตเราองค์กรก็เหมือนกัน ทางเลือกเสร็จแล้วเราทำไหมต่อไปค้ัที่ห้าทำไหมครับก็คือว่าต้องตั้งต้องต้อ ง, งทาต้องลงมือทาลงมือทาถ้าลงคนคนเดียวลงมือทำเราใครสั่งครับใจสั่งใจนู้สั่งใช่ไหมครับแต่คนเยอะๆต้องตั้งคณะทำงานไหมตั้งไหมครับต้องมีคณะทำงานช่วยกันทำแบ่งงานกันมีการแบ่งงานมีแผนงาน มีการแบ่งงานอันนี้เคยว่ากันออกไปใช่ั้ยครับแล้วสุดท้ายก็คืออะไรต้องต้องเช็คไหมเอ๊ะเอามาพึกลุมหายไหมมะเร็งผมดีขึ้นไหมใช่มเราก็ต้องตรวจสอบติดตามก็คือผลนะ่ะสุดท้ายก็คือต้องต้องติดตามผลต่อต่อผลหรือประเมินผลประเมินผลแล้วอาจจะได้ออกมาเป็นอะไรครับเป็นบทเรียนได้ไหมได้ไมาเป็นความรู้ ต้องปรับปรุงอีกใช่ไหมครับเพราะว่าพอ ผ, ผมทานไมคโครไบติกแ ล, แล้วดีขึ้นผมทานต่อไหมทานต่อได้ความรู้ขยายผลเอ้ไม่เคไบติกดีสมุนไพรตัวนี้ใช้ได้สมุนไพรตัวนี้ใช้ไปได้เลิกเลิกไหมครับก็ก็เปลี่ยนไปหาตัวใหม่เห็นไหมครับมันก็เหมือนชีวิตเราก็ไม่มีอะไรต่างกับชีวิตแหละครับก็มีแค่นี้พอเราสรุปเอ๊ตัวนี้สมุนไพรใช้ได้ ด, ดีตัวความรู้ที่เราได้มาก็ทําให้เราปรับปรุงไปเรื่อย พอประเมือนผลเสร็จแล้วก็พอได้ความรู้เราก็มาปรับปรุงใช่ไหมครับพบก็คือการเลือกศูนย์ยาตัวใหม่หรือสมาธิเอ๊เราทําแล้วใจเราไม่นิ่งเราก็เปลี่ยนวิธีทําให้ให้เจ็ดนิ่งมากขึ้นนะครับหรือถ้าเราเครียดเราก็ต้องหาวิธีคลายความเครียดของแต่ของของของหมู่หมู่คณะหรือเรื่องนี้ตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องอะไรครับที่เราพบคือตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่เราพบคืออะไรทุกร่วมนี่คืออันหนึ่งนอกจากที่เมื่อวานเราทําคือแรงงาน แรงงานนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเราต้องหาวิธีละเอ๊จะหาแรงงานจากไหนเรามีแค่นี้เองจะไประดมญาติทํามที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเป็นวันๆันหมเป็นช่วงเดือนไหมช่วงเดือนจะต้องผลปุ๋ยต้องทําผลข้าวต้องขออาสาสมัครเป็นรายอาทิตย์รายรายเดือนรายวันอย่างนี้ไหมครับเพราะนั้นมันต้องหาวิธีคิดกันเยอะผมไม่รู้ถ้าพอท่านบอกว่ า, าให้ทําเป็นบุญนิยมให้หมดก็ต้องระดมแรงกันแรงภายในแรงงานภายในไม่พอ แรงงานภายนอกมีที่ไหนจะเข้ามาแรงงานภายในนี่ตลอดชีพเลยใช่ไหมครับอยู่กันประจํานี่ก็อยู่ในราชธานีแต่ถ้าแรงงานภายนอกที่เป็นบุญนิยมภายนอกมีไหมมีเราจะออเข้ามายัางไงนี่เป็นประเด็นร่วมต้องต้องหาทางกันตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าโจทย์ใหญ่มากว่าทุกร่วมคือแรงงานไม่พอเดี๋ยวเรามาฟังลุงสีกันว่าลุงสีเป็นไงพลเรนสรุปว่าเห็นขั้นตอนไหมครับเหมือนชีวิตเราไหม เหมือนแต่ตอนนี้เป็นชีวิตรูปูแล้วชีวิตหลายๆคนนี่เท่ากันไหมอ่านี้พวกเราก็พบลึกขึ้นอีกว่าทิศิกับทิฐิก็ไม่เท่ากันความสามารถก็ไม่เท่ากันวัยก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับยังมีวัยอีกด้วยวัยเนี่ยวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยสูงวัยวัยวก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ทิฐิหรือใจก็ไม่เท่ากันถ้ารูมทั้งอัตตาด้วยทิฐิและอัตตาเนี่ยระบุญของเราไม่เท่ากันเหมนไอ้ตรงนี้พอมาทํางานร่วมกันง่ายไหม ไม่ง่ายเพราะนั้นเรายิงไปอาศัยคนนอกอีกนี่แรงงานนอกอีกนอกนอกนอ ก, นอกอโศกเข้ไปอีกยากขึ้นอีกไหมครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขามีตรงนี้ต่างกับเรอีกแล้ที่เขามีน้อยกว่าเราอาจจะไปตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพระนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องหากันเองใช่ไหมหาแล้วก็แต่ถ้าเราเราเร า, เราหาทั้งจานวนหาทั้งคุณภาพก็จะได้การจัดการของชาวอโศกที่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวไป ตรงนี้ตรงลงตกลงมือทํานี่ยากไหมครับแล้วคำว่ามีแผนเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆแบ่งคาว่าจังหวะ ก, ก้าเหมือนเหมือนเวลาเราเดิขึ้นผูเขาเราต้องมีขั้นบันไดเขา ข, าขึ้นไปใช่ไหมครับ ท, ท, ท, ราารรที่ที่และนี่พวกภาษาฐานเขาเรียกลดแบบหรือข้าราการเรียกลดแบบไหมครับคือพบวันต้องสิปีเนี่ยแล้วตรงนี้4ปีตรงนี้4ปีเราจะเป็นเราจะจบวอนบ อ, รนบอรตรงนี้เราคือวอนบอ ตรงนี้คือ10ปีที่จะต้องทำอะไรให้กับสังคมโลกใช่หมครับเราะนั้นก่อนจะไปถึงเราจะมีกี่ก้าวเราก็ต้องกำหนดก้าวกย่างก้าวที่หงก้าวที่สก้าวที่3ก้าวที่4แล้วแต่จะกี่ปีนี่เป็นแผนระยะยาวใช่ไหมครับนี่ก็สิบปีอาจจะต่อไปอีกอันนี้เขาเรียกลดจังหวะก้าวครับจังหวะก้าวของชีวิตมีไหมครับชีวิตเรามีวัยอะไรบ้าง อ่านี่แหละครับจังหวะเก้าเพราะว่านี่นั่นไถคือก็คือว่ามีทารกทารกอะไรครับวัยที่สองอะไรเด็กอาเด็กเด็กแล้วอะไรวัยรุ่นรุ่นอะไรครับแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่นี่ก็จะเริ่มมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็อะไรครับสวสวนี่ก็จะเจ็บป่วยอย่างพวกเราเป็นประจอย่างผม แล้วก็ตายทุกคนอันนี้เห็นไหมครับนี่ร่างกายธรรมชาติกําหนดจังหวะก้ามหมดใครฝืนได้ไหมแล้วมีจังหวะไหมแล้วเอาเอาตอนนี้มาใช้ตอนนี้ได้ไหมอย่างตอนนี้ให้แมกโรเบอติกได้ผลไหมเขาต้องการนมแล้วนมที่เคยจากแม่งั้นแต่ตอนนี้แหละงั้นถ้าเราให้แมคโครเบอติกหรือสมุนไพรสมุนไพรกับแมคโครเบอติกจะเริ่มให้ตอนนี้ใช่ไหมครับหรือให้ตอนนี้ก็ต้องเลือกให้ใช่ไหมครับเพราะเขาต้องการไม่มากวัยนี้ต้องการมากไหมครับ เห็น ก, ก็เราก็รู้ว่าแมคโนคบโอติกกับสมุนไพรใช้ตอนนี้ได้ผลมากมันมันใช้ตามเงื่อนไขของอะไรครับของขอ ง, ของวัยเพราะวัยที่หมุนไปแต่ละแต่ละแต่ละวันแต่ละช่วงมีแต่ละชีวิตหนึ่งมีครับนี่มุ้งคนอยู่ได้ร้อยปีนี่แหละคำว่าโลดแมพเห็นไหมครับมันถูกบังคับด้วยธรรมชาติเหมือนการทำงานหนึ่งๆเราบอกโอ้โหเราจะไปให้ ให้เกินให้ไปถึงตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆโตาอาจารย์ัยบไหมครับอาจารย์ครับผมเสนออย่างนี้ว่าเปลี่ยนจากสอวอเป็นส อ, อ, อยอได้ไหมครับเพราะว่าสอวอนี่หมายความว่าคนแก่คือผู้สูงวัยครับแต่ถ้าสอ อ, อยอนี่คือผู้สูงอายุแปล ว, ว่าคนเก่ง น, นนะฮะ คือสูงด้วยอิติบาทีไงอายุเป็นอิติบาทีเป็นอายุของธรรมะครับครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากอายุยาวต้องเดินอิติบาทีต้องสูงออยอครับครับมันจะเป็นคนเก่งทันทีแทนที่จะเป็นคนแก่กลายเป็นคนเก่งไปเลยครับคราวนี้ตกลงตกลงตอนนี้เรามาถึงตรงนี้นะใช่ไหมครับที่เราจะทำต่อแต่ละผมเลยเลยพูดแต่ที่พูดอันนี้เห็นว่าถ้าเราไม่มาถึงตรงนี้เราก็แค่คิด แล้วที่บอกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านาโต้คือภาษาไทยเขาเรียกดีแต่พูดทำไม่ทำน้อยพูดเยอะใช่ไหมครับหรือไม่ทําเลยในในหลายหน่วยงานเราต้องมาถึงตรงนี้ให้ได้คือทําแล้วเห็นผลผลนี่ม่เกิดความรู้ของอโศกใช่ไหมครับความรู้เรานี้มันเกิดจากการทําแล้วก็ไปเลือกตัวใหม่ที่จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับต่อยอดไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมครับตอนนี้เดี๋ยวตอนทำเนี่ยเราจะมาถึงขั้นนี้แล้ว พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นขั้นนี้ก็เราจะให้วางจังหวะ9จังหวะ9านี่คือเอเราจะมีช่วงการเติบโตของอโศสกเหมือนคนคนหนึ่งอย่างไรองค์กรก็เป็นคนคนหลายๆคนรวมกันใช่ไหมครับก็จะวางจังหวะกาปีจะได้อะไร10ปีจะได้อะไรทะระวังเป้าหมายไปแล้ววันบอวับออยู่นี่นะครับเพราะนั้นเราจะเดินจังหวะ9ายังไงให้ได้ครบ4ปีของวรบอแล้วก็อีกส0ปีของที่ระวังเป้าไว เห็นเห็นจังหวะก้าวไมครับเหมือนกันวางจังหวะก้าก็เหมือนพายเรือตอนแข่งเรือตอนนี้ภาคเหนือภาคอีสานแข่งเรือทวนน้ําการการไหายทวนน้ำต้องมีจังหวะไหมแล้วถ้าคนสิบคนสิบห้าคนในเรือถ้าว่าต่างคนต่างพายจะถูกน้ําพาไปไหมครับอันนี้อันนี้คือการมีจังหวะร่วมกันจังหวะก้านี้ทําให้เป็นจังหวะก้าวก้าอะไรครับต้องร่วมด้วยเพราะว่าดึงสองสามอึ๊บเห็นไหมครับพายพร้อมกันอ่า ผมร่วม ร, รัฐบาลเป็นคอมอชอผมก็พบว่าต่างคนต่างภายแต่และกระทรวงเพราะฉ่นนท่านสยุธทำอะไรไม่ได้คุณไพบูนไปรองนายกผมเป็นที่ปรึกษาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรครับต่างคนต่างภายแล้วนายเรือไม่บอกดึงสองสามตึ้งตอนนั้นผมเสนอให้ทำเรื่องวิถีพอเพียงแต่บอกก็ได้ว่าทหารไม่เอาเพราะไม่แน่ใจเพราะนั้นจะกลัวว่าประทะกัน แต่คราวนี้ถ้าไม่เอาอีกถ้าไม่หนึ่งสองสอื้อแล้วบอกทิ้งให้ไปนะมันก็จะต่างคนต่างทายกระทรวงหนึ่งก็ไปทางหนึ่งกระทรวงหนึ่งก็ไปทางหนึ่งนี่ของจริงเลยนะครับผลที่สุดเป็นรูปไม่ได้ผมลาออกตั้งแต่สาเดือนแล้วเพราะผมรู้แล้วว่าอีกสเดือนจะต้องถูกด่าทั้งประเทศเลยแล้วถูกด่าไหมครับขิงแก่ก็ต่างคนก็แก่แกจะไปคนละทางเพราะอัตราทุกท่านมีไห ม, มเหมือนขิงแก่ไหมอ่าเพรา ะ, ะนั้นเอาบทเรียนนี้ไปใช้คือบทเรียนค ม, มชเนี่ยชัดเลย ผมเห็นแต่ละคนกระทรวงสาสุขกูจะไปเรื่องยาซีเอลใช่ไหมครับกูจะเอาเล่าลดบุรีอีกกระทรวงก็กูจะไปทางไม่มีใครฟังฟังจังหวะเพราะไม่มีเป้าหมายรู้ว่าปฏิจจรูปเพื่ออะไรพมชมตั้งรัฐบาลเพื่ออะไรมันก็เข้ามาปุ๊บจับผายได้ผายเลยผายไปไหนไม่รู้ไม่ฟังสัญญาณด้วยใช่ขิงแก่ไหมครับอันเนี้ยพวกเรากําลังจะเป็นเพราะวัยเดียวกันมีประสบการณ์สูงมีความเชื่อมั่นสูง พอบอกเป้ารวมเอ้ยเป้านี้กูไม่เอาเอาฉันไม่เก่งฉันไม่เอาฉันเก่งเรื่องนี้ฉันเอาเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ภายเป็ทางเดียวกันภายนี่ไม่จำเป็นต้องภายด้วยคือแมคโรเบลติกเปลี่ยนภายเป็นแมคโครเบลติกเป็นสุขภาพเป็นกสิกรรมได้ไหมแต่ภายจังหวะเดียวกันได้ไหมเพราะคนภายคนละคนก็เก่งคนละอย่างแต่ว่าใช้จังหวะหนึ่ง2อสมอึ้บหนึ่งสองสมอึ้บมันก็เหลือมันก็เหลื อ, น, ลอนาวาบุญนิยมก็เคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวไ ป, วไปเพราะนาวาบุญนิยมต้อง ฝ, าฝารร่ากระแสน้ำไหม ทวนไหมนี่งไงเพราะถาไม่อึบมัมีจังหวะในตายแล้วใครจะให้สัญญาณต้องต้องมีแม่ทัพก็พอท่นเป็นคนให้สัญญาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะครูเป็นเป็นคนให้จังหวะเวลาคนชี้ทิศใช่ไหมครับรถ้าพวกเราต่างคนต่างพายแล้วคิ้งแก่ก็ดูรัฐบาลคมอชอแล้วกันทุกคนเห็นว่าไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราจะทําเป็นนาวาที่ทวนน้าแล้วพวกเราเป็นลูกพายใส่ใจพ่อทันเนี่ย จะร่วมกันได้ยังไงวันนึ่งใช้จังหวะชีวิตจังหวะอโศกนี่นะครับเคลื่อนร่วมกันเป็นจังหวะจังหวะแล้วจังหวะนี้ถ้าไปนําเสนอพ่อท่านพ่อท่านบอกเออจังหวะนี้ใช้ได้เว้ยเอาเลยใช่ไหมครับก็ท่านก็นําให้จังหวะชี้นําไปเรื่อยๆเราก็เคลื่อนตัวเรือไปเรื่อยๆพอสิปีเราก็มาถึงใช่ไหมครับถึงถ้าเราทํำฝีภายดีทุกคนก็ถึงที่หนึ่งด้วยที่หนึ่งคในใจเราเอ ง, เ ร, เ, องเราไม่ได้แข่งกับแข่งกับตัวเองถ้าใครตั้งเป้าโลกุตละก็จะ ถึงด้วยตัวเองซึ่งจะจะรู้กันเองใช่ไหมครับก็อันนี้ผมให้เห็นเห็นเห็นเห็นลดับขั้นไหมครับคราวนี้ใครที่อยู่ราดานีเออยกมืออ๋อยู่ราดทานีหมดเลยนะเพราะเดี๋ยวจะแบ่งงานกันละครตามเรื่องโรงปุ๋ยกับโรงสีไม่จะอยู่คืออยู่อยู่ประจาที่นี่ใช่ไหมครับ อย่า ง, งนั้นทีขออาสาสมาัครสามท่านครับ อ, อ่จับประเด็นแล้วก็แล้วก็เขียนบัตรคำติดครับแยกบัตรคำให้เสร็จเพราะผมเคื่อนไหวช้าแล้วก็อยากให้ให้ทุกท่านจะเป็นเจ้าของข้อมูลนี้ใครใใขอสมัครใครคิดว่าจับประเด็นฟังปั๊บจับประเด็นไวปุ๊บเขียนเลยติดใครจับประเด็นเก่งขอซ้ำใครใครจับประเด็นเก่งคิดว่า อาสาครับไม่ต้องจะฝึกก็ได้ครับอสองอย่น้อยสองคนคนหนึ่งติดครับคนติดนี้ก็ต้องต้อ ง, องรู้ว่าบัตรคำเขาเขาจับไปในอะไรแล้วก็จัดบัตรคำไปเลยว่าจะอยู่บวกหรือลบถ้าถ้าเขาบอกว่าลงศีมีจุดเด่นแล้วไปติดด้านนี้ติดผิดไหมครับเชยก็ต้องติดแล้วบัตรคำก็จัดจัดกลุ่มไปเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องของการจัดการเรื่องนี้ของการเงินเรื่องนี้ของจานวนคนใช่ครับก็จัดแยกไปเลย เดี๋ยวใครจะสาติดบัตรคาครับบัตรคำกระดาเอามาเลยเอาเอาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับเรื่องโรงสีแล้วก็เอาอเคครับเดี๋ยวเล่าเล่าถากาันให้ฟังก่อนเพราะว่าเราจะได้ขเขรียกตั้งหน้าโมมีข้อมูลคล<ร>้ายกันแล้วเดี๋ยวใครใครมีข้อมูลก็เติมเข้ามาตอนนี้เราจะมองด้านบวกก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนมองด้านบวกมันจะได้เห็นว่าจุดเด่นที่มี ถ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมองว่าจุดอ่อนคืออะไรนะครับแต่ระหว่างที่ให้ข้อมูลเล่าก็ทางนี้จับประเด็นแยกเราเองผมไม่บอกอะไรเป็นจุดอ่อน จ, จ, จ, จุดแข็งครับก็ฝึกจับประเด็นโดยทุกคนแลกเปลี่ยนกันนะครับขอเป็นวงได้ไหมครับเข้ามาใกล้ๆกัน ใ, ใครอยากพูดให้ยกมือนะครับเพื่อเติมข้อมูลตอนนี้กติกาคือไม่แย่งกันพูดนะครับเพื่อจะให้คนจับประเด็นแล้วก็ไปติดคนติดก็จะแยกแยกซ้ายแยกขวาเ อ, าเองนะครับ คนพูดไม่จำเป็นต้องพูดอะไรก็ได้คือจะพูดในแง่ไหนก็ได้นะครับแต่คนติดต้องแยกประเด็นว่าเป็นประเด็นจุดแข็งจุดอ่อนคนพูดก็จะให้ข้อมูลไปเรื่อยนะครับใครใครจะยืนครับเขียนเอเขียนตเขียนบัตรคำใครใครใครอาสายเขียนบัตรคำนี่ใช่ไหมครับแล้วคนติดคนติดจับประเด็นจับประเด็นในสมุดนั่นอันหนึ่งจับปะเด็นในบัตรคําอีกอันหนึ่งอ่าสมุดนะแล้วใครคนติดครับม <laughs> ผมเดินไม่ค่อยไหวครับพอตื่นเช้าแล้วตัวจะงอ ติดต้องติดแยกในแะอรเองนะอ่าโอเคเอาพร้อมนะครับตอนนี้แล้อ่าเอาเป็นวงใกล้ๆ ก, กันเลยครับแล้เรานี่เราช่วยกันเขาเรียกเวทีชาวบ้านเนาะของชาวอาโศก ค, ครับครับเอาเอ่อเอาเนี่ยครับก็คนติดติดติดเราเองฟังต้องฟังต้อ ง, องเวลา จะเห็นผมะตอนผมเขียนเนี่ยหูหูผมฟังแต่หูผมฟังมูอผมก็จะเขียนเขียนไ ป, ไปในบัตรคำนะครับก็ต้องใช้สมาธิเชิญผู้จั ด, จดการลงสีเจ้าของเจา้จาเจ้าหน้าที่ลงสีนะครับจะพูดยังไงจะนำเสนออะไรก็ได้แต่พวกเราช่วยจับประเด็นว่าเราจะอยู่ข้างไหนเป็นจุดเพื่อเราจะเริ่มแยกข้อมูลไปด้วยนะครับนี่ฝึกฝึกติดบัตรคำแบบแยกข้อมูลเลยทำร่วมกันไปเลยแล้วแล้วก่อน ทุกคนดูบัตรคำนะว่าเขาเขียนถูกไหมแล้วเขาคนติดถูกไหมถ้าติดไม่ถูกยกมือบอกว่าติดผิดเขียนผิดนะครับเขียนไม่ตรงประเด็นที่คนให้ข้อมูลนะครับนี่เป็นการตรวจสอบข้อมูลนี่เป็นการสมมุติว่าครูหาเลือดตั้งพวกเราเป็นคนให้ข้อมูลใช่ไหมครับก็ต้องดูครัว่าเขาติดถูกไหมเขียนถูกไหมใช่ไหมครับครับที่นี่ก็เป็นท่านครูน้องกองเรื่องรับเรื่องครับก็ เเลยครับก็เชิญทุกคนเริ่มจากข่อการครับจะเลื่อนถ้ำครับพี่น้องทุกๆคนครับขออนุญาตใส่ภาษาอีสานอาจารย์โอเคครับพอผมถนัดทั้งอีสานครับเขาเปลือกนี่ครับเป็นสับอันยังหญิ่งครับอาหารเป็นหนึ่งในโลกครับพวก ค, ครับแต่ผมบ่กมันเจ้าของลุงสีกับหินอ่อนบอกว่าเป็นผู้รับใช้ลุงสีอ่าผู้รับใช้ลุงสงีนี่เจ้าของลุงสีเศร้าโศกทุกคนนี่เป็นเจ้าของน้ากันครับครับที่พูดถึงจุดจุดแข็งจุดอ่อนของลุงสีบ่ครับคือ ครับครับประเด็นแรกที่ผู้รับผิดชอบลงสีพูดที่สําคัญนะครับคือว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์สินของข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อันอ ย, ยิ่งครับอาหารเป็นหนึ่งในโลกครับครับ ถ้าไม่อยู่ช่องซ้ายบวกลบก็เป็นไว้ข้างบนเกินข้างล่างก็ได้เพราะท่านกันยังให้ข้าที่ผมติดใจยอย่าก น, นะครับเป็นข้าสโศกบอกว่าเขาบนเม็นสิงข่าครับข้าวเป็นอาหารตีแบงปันกันกินครับข้ามนี้ผมมีใจที่ทํางานมีพิติที่ทํางานอยู่กับลุงสีครับพอได้ พอท่านให้สโลกถ้มตัวนี้ครับคำว่าแบ่งปันมาด้วยนะครับอ่ามีคําว่าแบ่งปันแบ่งปันหมายความว่าข้าวเนี่ยในเป็นวิธีชีวิตที่เรียกผู้คนทั้งหมดครับทั้งชาวโลกและชาวโศกนะครับจุดแข็งของลุงสีนี่ครับขอให้ผู้ผู้บริโภคนี่ครับได้รับประทานของดีเป็นจุดแข็งของลุงสีครับแล้วก็ให้ผู้บริโภคนี้ ของดีราคาถูกครับนี่เป็นของจุดแข็งของลุงศรีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเขาปัญหาที่เข้าสิทธิใส่คู่มือนี่ครับที่ทำงานเป็นเป็นการทำงานของของของลุงศรีแหละกะ็กกำลังสิมีปัญหาเนี่ครับทั้งทั้งลุงศรีครับ ผมก็วอาว่าเก่งครับถ้าอยากให้มีค้นถามนี่ก็ดีครับว่าปัญหาของลูกศิษย์เกิดยังไงครับผมอยากให้ขึ้นภาพภาพเอาเริ่มเริ่มจากท่านา ก, ก่อนเลยว่าปัญหามันคืออะไรครับนะเป็นเป็นจุดอ่อนครับเป็นเห็นภาพที่หนึ่งบอกครับขอภาพ น, นะครับภาพที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่งคือเป็นจุดอ่อนอย่างขนาดครับ พอลูกสีนี่ทั่วไปนี่เขาต้องมีร้านตากครับมีล้านตากและล้านตากบรรล่า น, นี่บอกคือร้านตากลูกสีทั่วไปครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเกล็ดกลัดมีขยะมีทุกสิ่งทุกอย่างครับออกจากบรรล่านี้ต้องไปถิ่มไปว่างไว้ล้านตากครับค่อนคางจะยุ่งยากแห้เงเกินครับผมอยากให้ขอ หายข้ามบานระดมขวอมคิดนี่เฮ็ดจังไดล้านตาเขาวคอยสีแปนครับมีปัญหาปัญหาปัญหาที่สองนี่ครับครับปัญหาที่สองนี่คือเขาย่างยูยานี่เข่าประม่านหาลอยกัตั น, นครับหาลอยกัตันนี่ประมาณสองลอยสองลอยตันนี่สิไปขึ้น ไปเก็บไปขังบนลุงสีดีได้ครับแต่สามลอยสามอยตันนี่เป็นข้าวเปลือกได้ครับเสียไปใส่นี่ครับแต่ถนนคืนนี่ครับมันค่อนขางจะลําบากครับเพราะว่าเทปับกุ้งลุงสีไม่ถนนหนทางนี่ครับคนหนาครับเพราะว่าหนาฝนกพกิฤที่ทํางานนี่ทํางานมาได้ทั้งลงศสีก็ขอเสนอปูคั้นกีด ลาดปูดนแต่หนาฝนมันลาดบ่อยครับนี่ปัญหาจุดอ่อนของสีครับก็ดังที่เก็บนี่ครับปัญหามันก็ดังที่เก็บนี่มันปัญหาหน่อยครับปัญหากดังที่เก็บมันหน่อยครับ เก็บไดประมาณสองอยตันครับมันอยู่ทั้งลุงสีเลยครับมื่ว น, นั้นมีปัญหามากคือโกดังเลข้างล่างนี้ครับน้ำท่วมครับปกติมันถ้าเป็นของบรรดาวิกฤตนี่น้าท่วมครับนี่เขามาระดมความคิดในช่วงนี้แหละครับว่าเขาเช็ดยังไดก็จะเอาเข่าสามลอยตันนี่หนีจากน้มได้ พราว่าลุงศรีบัลาตนี้ปกติมันผมกเคยยุลุงศรีบัลลมาตนี่ประมาณยี่สิบปีแล้วครับถ้าเขาเออนี่ครับภาพที่หนึ่งนี่ครับภาพขึ้นแล้วครับนี่ผมว่าคันว่าขยะกครับพ่แม่ครับกับมีของที่ดีเยอะครับนี่ผมอยากให้พี่น้องที่มั่นระดมความคิดงานนี่ไปเบิ้งภาพนะครับนี่นี่ภาพนี่มันอยู่ในล้านตากได้ครับนี่ภาพอยู่ในร้านตากนีครับ ครับทุกอย่างครับปัญหาตัวนี้มันเกินเกินค้อมรับผิด ช, ชอบของผมเหรอครับยังไงขบวนการกลุ่มหนีรับผิด ช, ชอบเพราะว่ามันเป็นมาย่าวน่านเหรอครับผมก็เว้าอยู่เรื่อยครับอยู่ในที่ประชุมในชวนกลางครับจะว่าไปถ้าได้แห่ ง, ห, งหลายคำมาเรื่อยครับนี่มันกันเป็นปัญหาเท่าทุกคนนี่สิมาซอยแก่ตัวนี้ครับมันเกินเกิน ปัญญาของผมเหรอครับ <laughs> ค่ะขออการนะคะค่ะดิฉันในฐานะเป็นคณะกรรมการชุมชนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าพักนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจาก ชาวโสกนะคะให้ดูแลตั้งแต่นโยบายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันทั้งหมดคือนโยบายทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของพรรคนะฮะพอตอนนี้ก็พอมีบอนบอพวกเราก็าได้ไปพบนะคะแล้วก็เราก็ทราบปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้ล่าสุดนะคะปัญหาที่เราทราบก็คือว่าจะต้องเอา ข้าวที่พ่อแรงเพชรแจ้งไว้นะคะให้ขึ้นสูที่สูงเพราะว่าโรงสีที่ตั้งโรงสีนี่มันสูงแต่ว่าที่เก็บข้าวส่วนใหญ่มันอยู่ที่ต่ำแล้วก็ตอนนี้วันนี้ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เราต้องทำอย่างเร่งด่วนนะคะทีนี้ก็เข้าประชุมคณะกรรมการชุมชนทางชุมชนก็คล้ายๆกับว่าไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็คือให้บอนบอช่วยแก้ปัญหาก็แล้วกันนะคะทีนี้ พวกเราก็มาคุยกันนะคะว่ า, เ, าเราจะทํำยังไงนะคะวันนี้ก็จึงมีได้มีพูดคุยกันณนะถึงเวลานี้ค่ะตรง น, นี้ก็คือที่มาครั้งแรกก็บอกว่าจะลาดลาดปูนนะคะเป็นทางขึ้นทางขึ้นไปมันก็ลาดชัน้นแล้วก็เราก็พึ่งถมภายในปีนี้นะคะมันก็ยังไม่เซ็ตตัวแล้วก็การลาดปูนนี่มันต้องใช้งบประมาณสูงมากนะคะซึ่ง เง่อนประมาณตัวนี้พวกเราก็มันต้องพิจารณ า, าอย่างหนักเลยแล้วก็น้ํามันก็จะท่วมนะคะก็เลยมีทางออกนําเสนอนะคะบอนบอพวกบอนบอก็เลยมาคุยกันนะคะก็จะใช้วิธีการซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้พูดคุยกันแล้วนะคะทางสุวรรณมีอะไรที่จะนําเสนอค่ะผมผมคนนอกไม่รู้เรื่องเลยที่ฟังดูเรื่อง ปัญหาพวกนี้ไม่ไม่อยากก็ไม่ไม่น่าจะยากแต่เรื่องการจัดการการบริหารนี่เป็นยังไงเพราะผมเรียนบัญชีเรียนการบริหารมาการมีส่วนร่วมของของอของสมาชิกร่วมยังไงครับร่วมอะไรบ้างการบริหารเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงคณะกรรมการไและการตลาดนี่เรื่องใหญ่การตลาดเป็นงไงอยากอยากฟัง <c oughs> ทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าการตลาดนี่เขายุ แรกก่อนการมีส่วนร่วมของชาวโซนเป็นยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉายภาพีเป็นภาพภาพภาพที่สองนี่ครับที่ว่านุนอนกีดขึ้นภาพข้างล่างครับนี่แหละปัญหาครับแต่ปัญหาที่ทั้งผูนาภาคเพิลบอว่าวหันครับบอกว่าลงทุนสูงนง่เอาลงทุนสูงับงเขาภาพภาพ ภ, ภาพที่สองนี่ครับภาพที่สองนี่ครับลงทุ่นสูง กับเขาเขาเสียหายห่ารอยตันก็แล้วแต่จีไปคิดครับเออเอาบ้านเราช่วยกันหาทางออกว่าข้าวสามร้อตันครับสา0ร้อยที่กำลังตอนนี้500 200ยมันอยู่วนในโกดังแล้ว300อนี่มันมันจะเจอเพราะว่าน้ําท่วมใช่ใช่เอางั้นภาประเด็นใหญอีกประเด็นหนึ่งขอกระดาษโน้ตวหน่อยประเด็นที่สําคัญที่ต้องต้องหาทางออกคือว่าไอข้าวสามร้อยตันเนี่ย ถ้าลงทุนทำถนนมันก็ใช้งบประมาณแต่ถ้าไม่ใช้ไม่ใช้เอาเดี๋ยวคุยกันหลายคนครับคุยกัหลายคนประเด็นคือไอ้ปัญหาภาพภาพตัวนี้ครับผมกับคุณแงงอ่นี่เอาเอาเขาขึ้นไปข้างบนครับมือนนั้นสิบเอ็ดเที่ยวเขาประมาณเจ็ดตันครับปัญหามันเกิดคือพอลุกล่างก็ไลุกล่างนี่ครับถนนขึ้นนี่ไป ฟลิปนี่มันทำงานบ่ได้ครับถ้าเป็นรถยนธรรมดาเาข้าขึ้นได้ครับแต่ฟลิปขึ้นบ่ได้ครับถ้าฝ้าขาวดาวแจ้งนี่บม่มีปัญหาครับนี่ปัญหาจิมันเกิดครับเรื่องเรื่องเรื่องสามรอตันกับเรื่องการหรนีน้ํานี่นะเป็นเรื่องหนึ่งจบไปแล้วนะครับการมีส่วนร่วมนะคะเรื่องเรื่องการมีส่วนร่วมพวกเราก็พยายามนะคะพวกเราก็พยายามช่วย น ะ, ะว่าจะทํำยังไงแล้วก็ทั้งตั้งแต่มีปวชนะคะมีปวสเราก็เอาเข้าไปไปช่วยเอาแรงงานนักเรียนสมาชิกาเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้นะคะก็ไม่ทราบมีมีอะไรนะคะเพราะว่าขาดแรงงานมันก็แรงงานเป็นจอบๆเป็นเหมือนกับผู้ไม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดให้อะไรทําทนองนี้นะคะในเรื่องของการใช้แรงงาน ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมชัดเจนเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อเนื่องยาวนานนะคะในด้านการเชื่อมสัมพันธ์กับทั้งนักเรียนส ม, มาชิกาทั้งปวชแล้วทั้งผู้ใหญ่นะคะส่วนหนึ่งก็เหมือน เ, อเวลาออเดอร์มาอย่างเงี้ยเวลามีอะไรเร่งด่วนฉุกเฉินมันเข้าไปลงสีก็ผิดอะไรทํานองนี้ตัวนี้เห็นกับตาขออภัยนะคะตัวนี้ดิฉันโดยข้อมูลความจริง คือเข้าไปวันนึงดิฉันไปขายของที่อุทยานนะคะข้าวข้าวมันข้าวมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีขายนะคะแต่ว่าไปที่โรงสีข้าวข้าวอยู่ที่ถุงเต็มไปหมดเลยนะคะตัวนี้ขาดการบริหารจัดการที่มันตรงแล้วก็ที่ส่งไปที่พลังแดดชีวิตที่กรุงเทพนะคะก็ไปไม่ทนันอย่างเงี้ยการบริหารจัดการนะคะ เขาก็ต้องออเดอร์จากที่อื่นอย่างนี้เช่นเช่นที่เป็นอย่างนี้นะคะก็ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบหรือว่าการทุ่มเทให้กับลงสีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันอาจจะพูดตามสภาพจริงที่เห็นนะคะก็ก็ให้ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแก้ปัญหาส่วนนี้ค่ะค่ะค่ ะ, ะประเด็นที่สองเอาละเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นตัวคนนะ ตัวคนก็มีคนสองฝ่ายคนลงสีกับคนชุมชนคนที่อยู่ในราชธานียโศกนี่ถือเป็นชาวโศกแล้วกันชาวโศกนี่ก็ถูกมอบหมายหรือว่ามีนโยบายมอบหมายให้เข้าร่วมกับลงศีแต่ที่ผ่านมาก็ยังร่วมแค่แรงงานตอนนี้หลักการร่วมเนี่ยสมัยซิปผมทำเป็นสโลแกนใหญ่ทั้งประเทศเลยนะครับห้าร่วมเดี๋ยวจะถามพวกเราว่าจริงๆแล้วพวกเราคาดหวังหรือมีส่วนร่วมแค่ไหนแน่ดีคือห้าร่วมเราร่วมแรกคือร่วมคิด ร่วมวางแผนทุกคนร่วมวางแผนไหครับร่วมข้อมูลเนี่ยร่วมไหมร่วมคิดไหมอันนี้ถือเป็นประเด็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับสวันนี้เป็นตัวอย่างรวมให้คิดทุกคนได้คิดร่วมกันไหมเห็นไหมครับได้สร้างเป้าหมายร่วมไหมมันอันเนี้ยเราไปใช้กับลงสีได้ไหมนี่รวมที่1นะรวมที่2คืออะไรครับเมื่อคิดเสร็จต้องตัดสินใจจะทำโครงการนี้ไม่โครงการเสนอซิปต้องไม่ใช่ว่าคนเดียวเขียนขอมาที่ซิปเราไม่ให้เด็ดขาดสมัยนั้นย้อนลอยเราก็บอกว่าต้องร่วมตัดสินใจแล้วเราหรือต้องตัดสินใจกันเองไหม ตั้งเป้าหมายกันเองไหมผมบอกผมสั่งไหมเพราะท่านสั่งไหมหนึ่งฟ้าสั่งไหมเป้าหมายร่วมนี่ใครสั่งสั่งตัวเองร่วมกันใช่ไหมครับมันต้องตัดสินใจร่วมกันหาชันธานุมัตินี่คือการตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมครับจริงเราก็จ ะ, จะทําต่อนี่ฮะร่วมที่สองนะครับร่วมที่สามเขาร่วมทําอันนี้ทําชัดลงแรงช่วยกันเดี๋ยวต้องไปเห็นรานตากและขยะเต็มแล้วก็ถ้าถ้าเทถ้าเทคอนกรีตก็ต้องไปเทด้วยกันใช่ไหมครับ ร, ร่วมตัดสินใจว่าจะเอาข้า300รอด้วยการลงทุน ทำถนนไหมนะครับอันนี้ก็ต้องตัดสินใจร่วมกันไหมเพราะว่ามันด้านหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินอีกด้านหนึ่งก็เสียข้าวอะ่ะใช่ไหมครับที่ใช่ไหมมันต้องตกลงให้มันต้องมีมีได้มีเสียมีซื้อมีขายเราะั้นตอนนี้ต้องช่วยกันตัดสินใจนี่ประเด็นที่3าอ้เรื่องที่ส อ, อ่วตัดสินใจแล้วก็ทำร่วมลวมมือทํามคือร่วมทำนะครับสคือร่วมอะไรครับร่วมประโยชน์เพราะว่าคนทํางานในชาวโลกอย่างผมต้องมีประโยชน์ร่วมกันได้ข้าวร่วมกัน ใช่ไหมครับได้เงินร่วมกันได้ได้ความสุขร่วมกันและได้บุญร่วมกันสุดท้ายสุดท้ายอันที่หครับรวมที่5คือร่วมติดตามและตรวจสอบสมัยซิปตรวจสอบกันเองใช่ไหมครับเราก็บอกเอ้ยได้เงินไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แบ่งปันกันแล้วเงินที่คืนมาไปทํำไรเราก็ต้องบอกว่าเงินนี้เงินของของใครครับเงินซิปเงินผมหรือเงินของรัฐบาลรัฐบาลครับพี่ของผมผมมีหน้าที่มาจัดการเหมือนผู้จัดการลงสีก็จัดการแจกจ่ายไปทั่วประเทศแล้วไปตาม ทั่ประเทศไม่ได้ผลไม่ได้ผลเรองจัดการผมนี่จนเครียดสมัยนะั้นจนอไนเป็นอันพึกต่อเ น, นี้เนี่ยเพราะว่าต้องตามให้เกิดผลประโยชน์ร่วมต้องเกิดกับทุกคนแล้วทุกคนต้องมีส่วนร่วมให้ได้แล้วต้องทําให้เมื่อกี้ที่บอกว่าข้าวเป็นของแบ่งปันข้าวเปลี่ยนเป็นเงินใช่ได้ได้ไหมครับเงินก็ต้องได้มาก็ต้องแบ่งปันเพราะนไอ้ร่วมต้องครบห้าร่วมอันนี้คือหลักที่ตอนีจ้จะถามว่าที่ผ่านมาชาวโสกร่วมกับลงสีมากที่สุดที่ไหนครับ ช่วยกันพูดครับรวมที่แล้วอยากจะร่วมอะไรมากที่สุดต่อไปเอาที่ผ่านมาร่วมอะไรครับแรงงานมากที่สุดตอนนี้ร่วมตัด ส, สินใจร่วมบริหารที่บั้มวิ่งพูดเนี่ยยังไม่ชัดใช่ไหมครับเอางั้นงั้นมีมีมีความเห็นยังไงก่อนมีมีข้อมูลเก่าก่อยังไม่พิ่ข้อเสนอใหม่หรือจะเติมข้อเสนอก็ได้แต่ว่าขอพูดในภาพปัจจุบันก่อนว่าจะได้หาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับว่าการมีส่วนร่วมใน55า้าหร่วมที่ผมยกตัวอย่างเนี่ย ชาวอโศกเนี่ยต้องการเห็นอะไรหรือที่เป็นเออต้องที่เป็ น, ปนอยู่เป็นอย่างไรครับเช็คสภาพก่อนขออนุญาตครับที่ร่วมบริหารน้อยมากนครับเชิญครับที่ปามิง่งถึงผ่าพิงถึงของลุงสีมาพร้อมว่าบ่มันแก่โตเลยที่ว่ า, วามาลุงรีนี่บางเทอเอาเข่าไปอุทยานกับว่เห็นลงุงเห็นคนจริงอยู่ครับแต่มันเป็นปัญหาทีหน่อยนิดแดชีวิตขึ้นกันครับ น้อยที่สุดเลยครับแดชีวิตมีออเดอร์ใหญ่ามากเป็นแต่ออเดอร์สองรอยตันจังสี่ทั้งตลาดเข้าเอาลงไปบดได้ครับถ้าออเดอร์ที่เอตันนี่โบมี่พาดแต่ปัญหาผมเกิดย่นมาหาปัญหานะครับปัญหาใหญ่ๆนี่คือการตลาดของบุญนิยมของเศร้าโศกครับตลาดขยายหขยายกว่านี่ครับเพราะว่า ยีสปีเลยขอโทษครับเดี๋ยวเพิ่งไปเรื่องการตลาดประเด็นวิธีเดี๋ยวคุยให้เป็นระบบให้เป็นเอาเรื่องการมีส่วนร่วมร่วมบริหารอย่างไรที่ผ่านมาอันหนึงคือการร่วมแรงงานเนี่ยมีจริงแต่การร่วมบริหารเนี่ยที่ประมิ่งพูดเนี่ยยังยังไม่ชัดเดฉพาะอย่างออเดอร์มาเดี๋ยวเรื่องเรื่องการมีส่วนร่วมในการร่วมกัน ร, ระหว่างลงศรีกับชาวโศกราตนานีโนยโศกนี่ครับว่าที่ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับเชิญครับเมื่อกี้จะพูดต่อไหมครับ อ๋อเรื่องการมีส่วนร่วม <Okay. S 1> โดยเพราะเรื่องการร่วมบริหารจัดการนี่นะครับเป็นยังไงครับมีคณะกรรมการไหมครับอา้าวไม่มีหรือไม่มีครับผมอยากรู้มีมีแล้วทำอะไรบ้างเออแล้วตอนตัดสินใจใครตัดสินใจช่วยช่วยลงสีไหมหรือเชิญครับเชิญครับพอากาสครับถ้าเป็นคณะกรรมการของโลงศรีจริงๆเนี่ยไม่มีครับก็มีใช้เป็นคณะกรรมการชุมชนแต่ว่า เวลาลุงศรีมีปัญหาจริงเนี่ยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกับทางลุงศรีเนี่ยผมว่ามันยังน้อยอยู่สมมุติลุงศรีมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทางชุมชนหรือทางคณะกรรมการเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าคือผมว่าการประสานงานตัวเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอยู่ว่าลุงศรีมีปัญหาเรื่องนี้เอออยากให้ทางกรรมการชุมชนหรือว่าทางชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการตัดสินใจ ของการแก้ปัญหาแต่และอย่างเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ชัดก็อยากให้ตรงนี้มีส่วนร่วมกันมากกว่านี้ปรึกษาหารือกันมากกว่านี้ประสานงานมากกว่านี้นะครับทั้งประสานงานทั้งใช่ประสานงานก่อนนั่นแหละรครับคือคือให้รู้ปัญหาร่วมกันแล้วคิดแก้ปัญหาร่วมกันครับร่วมที่สําคัญคือร่วมที่สองครับการตัดสินใจใครจะร่วมไหมร่วมครับเพราะประสานงานนี้เป็นเรื่อง ก, การลงมือทำใช่ไหมครั บ, รบแต่การตัดสินใจนี่ นี่เปความสาคัญเพราะในผมพบในซิปคนอื่นตัดสินใจแทนชาวบ้านเยอะมากมพวกข้าราชการแอบมาเขียนโครงการของเงินซิปไม่น้อยเพราะชาวบ้านบอกปัญหาเสร็จคุณไปเขียนไปตัดสินใจแทนผมแล้วกันอันนี้ผมจะถามว่าการตัดสินใจเนี่ยที่นี่มีส่วนร่วมกันมากน้อยแค่ไหนและใครใครตัดสินใจเวลาออเดอร์มาจะทําไม่ทําำจะผลข้าวเข้าโกดังไหมจะผลข้าวดีนะ้ําไม่ใครตัดสินใจตัดสินใจเป็นรายวันเป็นรายตัดสินใจเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก แบ่งระดับกันไหมครับแบ่งแบ่งบทบาทกันไหมหรือว่าทุกครั้งเลิกกรรมการชุมชนกับกรรมการลงสีเนี่ยมันชุดเดียวกันหรือไม่ออตรงนี้ข้อมูลผมไม่ชัดครับมีท่านใดมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมครับเพราะการบริหารนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ต้องมีไม่ใช่ทางชุมชนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องใหญ่ใหญแต่ถ้าจะจ ะ, จะตัดสินใจรับออเดอร์มาหรือไม่เนี่ย โ, โหต้องตัดสินใจทั้งชุมชนนี่เป็นไปไม่ได้ครับมันก็ต้องย่อส่วนลงมามีคำการชุดเล็กยังไงไม่ทราบมีมหรือเปล่าครับ ช, ช่วยขยายความเรื่องการบริหารหน่อยเรื่องที่ว่าเรื่องการตัดสินใจที่ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นร่วมกันที่ผ่านมาก็ต้องถามทางพอลังเพชรว่ามีออเดอร์มาเนี่ยใครเป็นคนรับเรื่องแล้วก็า ก, าการมีสื่อร่วมในการตัดสินใจว่าต้องรับยังไงเนี่ยผมไม่ทราบต้องให้พอลังเพชรแจ้งให้พี่น้องทราบพูดใส่ไม้ครับพูดใส่ไม้เพื่อทุกคนถ้าเขามีเลขาจับประเด็นครับเขากาดค่ะ คือไอทางทางฝ่ายการผลิตคือการตลาดสั่งมามีออเดอร์มาการตลาดสั่งมาทางลงสีเึงผลิตให้ค่ะถ้าไม่มามันก็ไม่ผลิตเพราะว่าสีไว้นานมันก็ไม่ได้ค่ะของเรามันของอินรีไรสารแล้วเราก็รอการตลาดถ้าสั่งมาก็ต้องเรื่องก็ต้องเข้าการตลาดแต่นี้การตลาดมาหรือเปล่าคะ ก็คุณกล้าทำกับคุณนิ่มแล้วทางโลีิคคือแค่แค่เป็นผู้ผลิตให้เขาสั่งมาแล้วก็เป็นคนผลิตแต่ที่มันออกไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างก็ต้องเราทำตามคำสั่งของขตลาดค่ะนี่มีกระดาษไหมครับอันนี้ผมเรียนหลักการ <c oughs> การการการบริหารมาเลยนะครับ <c oughs> ก็พอมีมี คำสั่งคำสั่งซื้อข้าวมาใช่ไหมครับออเดอร์ Order ที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มาฝ่ายแปลจ ะ, จ, ะจะแปลรูปก็ได้ก็คือลงสีนะครับแปลรูปคําสั่งนี้มาจากตลาดฝ่ายหาตลาดนี่ไม่รู้ใครแล้วตัดสินใจจะรับะจะแปลรูปหรือไม่เนี่ยอันนี้คําสั่งนี่คันที่หนึ่งแปลรูปเสร็จเนี่ยได้ได้ได้ ไ, ดไรครับได้ตังค์ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีต่อไปก็คือมีการมีอะไรครับมีตังค์เข้ามา มีตังค์นี้ต้องลงบัญชีไหมอ่า ล, ลงบัญชีนี่ที่ผมเรียนมาคือผมมีหน้าที่นี้ลงบัญชีตามหลักฐานว่าจ่ายข้าวไปเท่าไหร่นี่นี่เบบมีหลักฐานใบจ่ายข้าวอีกใบใบจ่ายข้าวใบจ่ายข้าวลงสีทุกลงสีต้องมีหลักฐานนี้จ่ายข้าวแล้วก็มาเป็นเงินมีเงินใส่นี่แล้เป็นบัญชีบัญชีแล้วบัญชีถ้าผมถือคนเดียวภรรยาผมไม่รู้เรื่องเจ๊งไหมครับถ้าครอบครัวเจ๊งไหม เ, เขาเรียกดุลขาน ผมเนี่ยให้พยาคุมเงินผมเพราะว่าผมไปทั่วประเทศถ้าถือเงินเยอะเนี่ยมีโอกาสใช้ผิดประเภทไหมครับถ้าไม่มีสิน ม, มีโอกาสไหมตรงนี้ต้องมีสินห้ากำกับไหมเพราะท่านให้ทุกคนกํากับด้วยสินนี่สินห้าต้องมีสินห้ารวมกันเลยเพราะถ้าไม่มีสินส่วนตัวมีศินองค์กรเงินล่วนไหมครับรููล่วก็จะเกิดขึ้นอันนี้ครอบครัวก็ต้องใช้ใช้คนเดียวกันได้ไหมครอบครัวยังใช้คนไในคนหนึ่งใช้คนหนึ่งต้องคุมใช่ไหมครับ อันนี้เราเขาเรียกที่หลักเขาเรียกหลักดุลกานต้องมีการทวงดุลกันพอจากนี้ก็ลงบัญชีแล้วก็มีอะไรครับเขายังมีการตรวจสอบอีกนี่แหละรครับตรวจสอบก็มีผู้สอบบัญชีแล้วก็เอาเงินนี้มาแบ่งปันผู้ถือหุ้นกันมีเอาเงินมาแบ่งอีกอีกถุงหนึ่งเอกพอได้พอผู้สอบบัญชีบอกเออเงินกำไรใช้นี่หลักบัญชีเลยนะครับก็เอาเงินไปแบ่งกันหรือเอาข้าไปแบ่งกันก็ตรวจสอบทรัพย์สินใช่ไหมครับ ทุกสิ้นปีก็มีการสอบบัญชีแล้วก็ไปแบ่งปันหุ้นกันหรือแบ่งปันที่ว่าแบ่งปันประโยชน์ประโยชน์สุดท้ายครับนี่เรียกว่ากำไรในในทางโลกนะครับในทางนี้ก็จะแบ่งบุญหรือจะมาเป็นบุญนิยมเป็นการขาดทุนก็ได้นะครับอันนี้คำถามผมคือว่าตอนนี้ใครมีส่วนร่วมตรงไหนมากที่สุดครับแล้วตรงไหนที่หายไปใต้เป็นระบบหนึ่ง หอันนี้เป็นเรื่องของโลงสีซึ่งต้องอาศัยทั้งสองท่านใช่ไหมครับที่ใครที่เกี่ย ว, ยวข้องแต่ตรงนี้ใครทําครับตรงเรื่องการเงินตรงนี้มีการตัดสินใจใครตัดสินใจครับในใ น, ในเรื่องพวกนี้แบ่งกันไงครับก็การตลาดอยู่นี่ครับการตลาดคือคนที่จะทำให้เกิดใบสั่งซื้อหนึ่งสองอนี้สอง อันนี้สาการตัดสินใจสีเรื่องการเงินการเงินเนี่ยทั้งทั้งทั้งแผงเลยก็มีผู้สอบบัญชีมีการแยกเงินมีสีกากับมีผู้ผู้กำกับอีกฝ่ายหนึ่งไปตรวจสอบแล้วก็5มีการแบ่งปันกันยังไงเปิดเผยสาธรณะไหมผมถูกเรียกร้องให้เปิดเผยสานะผมจึบอกชาวบ้านให้เปิดเผยให้หมดเพราะว่าใครใครถามผมครับผมไม่ใช่เจ้าของเงินนะรัฐบาลสตงผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตัวจราชการกระทรวงการคลังถามผมทุกครั้งเลยผมก็บอกว่าทุกนั้นผมก็ทําหน้าที่อะไรครับบอกให้ทุกชุมชนเปิดบัญชีให้หมดเปิดยังไงครับเปิดเวทีเปิดเวทีอย่างเงี้ยก็ต้องเปิดเวทีรายงานว่ากําไรไปไหนแบ่งปันกันอย่างไรเงินคืนมาเท่าไหร่หรือได้กําไรเท่าไหร่ก็เปิดเผยสาธารณะนี่เรียกว่าสาธารณโพกีเพราะว่าเงินของซิเปเงินสาธา ร, ารณโภคีเหมือนกันคือเงินของส่วนรวมอะเอาไปใช้ต้องให้ทุกคนรับรู้กัน แล้วถ้ามีส่วนประโยชน์ก็ต้องแบ่งปันเงี้ยนี่ขั้นสุดท้ายครับสุดท้ายเปลี่ยนเงินเป็นอะไรครับเป็นความรู้นี่ถ้าไปต่อนะขั้นที่หกนี่มีบทเรียนอะไรขั้นที่เจ็ได้บุญอะไรไปสู่ตลาดอริยะใช่ไหมครับอันนี้อันนี้จะเป็นขั้นขั้นขั้นที่ของอสุกจะทําหรือไม่ทําแต่หลักๆต้องมีห้าขั้นเอาถามว่าห้าขั้นนี้อยากได้อะไรครับที่ทําที่ไม่ให้อยากได้ที่ทําอยู่ทำอย่างไรครับแล้ว จุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนครับในเ ร, เรื่องการตัดสินใจกับการมีส่วนร่วมเชิญครับสมาชิขอขอากก็ขอโอกาสค่ะก็ขอโอกาสนะคะพูดผิดก็ในกรณีที่ที่ ท, ท, ท, ท, ที่ที่มองมองจากข้างนอกนะคะแล้วก็ดิฉันก็ไม่ใช่คนคนเก่าเท่าไหร่ก็มาใหม่แต่นี้ในในการที่มองเนี่ยก็คือเวลาที่มีออเดอร์เข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะมีก็มีออเดอร์มา ฝ่การตลาดก็จะบอกไปที่โรงสีนะคะรงสีก็จะเป็นเป็นคนเป็นคนที่ผลิตและแปรรูปออกมานะคะทีนี้มันปัญหามันมีอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องสุขภาพของของพ่อแรงเพชรเนี่ยนะคะเป็นเป็นประเด็นหลักเลยว่าบางครั้งเนี่ยพอออเดอร์มาเนี่ยพ่อแรงเพชรเนี่ยสุขภาพเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นถุงลมป่งพองเ <recib> <passive> พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของฝุนเรื่องละอองต่างๆเนี่ย มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพอบางครั้งมีออเดอร์มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพ่อพ่อเนี่ยป่วยเพราะว่าสาเหตุของของโรคประจําตัวซึ่งหมอบอกว่าไม่ควรจะอยู่กับตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ทีเนี้ยลักษณะของการมีส่วนร่วมเข้าไปเข้าไปช่วยตรงนั้นน่ยยังมีส่วนร่วมน้อยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอันอันประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องของการขาดขาดบุคลากรที่จะ เข้าไปตรงนั้นคือจะไปเรียนรู้เรื่องระบบการทำงานนะคะระบบการทำงานหรือการทีนี้พ่อแรงเพชรเนี่ยถ้าถ้าคนที่ยังยังไม่สามารถที่จะรับมีความสามารถเพียงพอเนี่ยที่จะเข้าไปทำงานได้เนี่ยพ่อแรงเพชรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะถ่ายทอดตรงนั้นให้เพราะเพราะว่าการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนั้นให้เนี่ยต้องเป็นคนที่อะไระคะค่อนข้างที่จะหนึ่งรับผิดชอบสอง ต้องเอาแววไวหน่อยนึงสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อแรงเพชรเนี่ยนะคะกับแม่แรงงามเนี่ยสองคนเนี่ยแบกอยู่ตลอดเวลาพอแบกอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมีออเดอร์มาปั๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสานงานต่อได้อันนี้นี่คือปัญหาที่ที่ที่ดิฉันมองนะคะแล้วก็เออคือองค์กรเนี่ยองค์กรเนี่ยก็มันบอกแล้วว่ามันขาดบุคลากรเนี่ยหรือว่าจะเอาคนเข้าไปเนี่ยเพราะฉนั้นเนีอยากหาคนที่ ที่อะไรล่ะคะมีความรู้ด้านนี้แล้วก็มีศักยภาพพอที่จะไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือในกรณีของของพ่อแรงเพชรกับแม่แรงงามเลคะว่าเราเข้าไปช่วยได้ไหมไปมีมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันทําตรงนี้นะค่ะแตท่ที่ที่ที่เป็นมาเนี่ยปรากฏว่าพอเรามีคนเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะที่จะไปช่วยตรงนั้นได้นะคะคือมีศักยภาพไม่พอเพราะฉนั้นพอมมีศักยภาพไม่พอปั๊บเนี่ยพ่อแรงเพชรก็เลย ไม่ได้ถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดให้พอไม่ได้ถ่ายทอดให้ปั๊บเนี่ยไอ้มันก็สะดุดในเรื่องของการบริหารตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าพอมีออเดอร์มาปับ๊บพอพอ่อเพชรเอ่อป่วยก็ไม่สามารถที่จะทําตามออเดอร์ได้มาแล้วประเด็นที่สองมีขี้เลือกของถนนกับข้าวเรื่องที่สองคือเรื่องพ่อเพชรกับผู้สืบทอดพ่อเพชรป่วยเป็นประจำํำแต่พระพจน์มีความรู้สูงมากมีประสบการณ์สูงมาก แต่ว่าผู้สืบทอดจะจะเข้ามารับช่วงต่ออย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งผมก็ป่วยพรผมเป็นน้พลึกเนี่ยผมก็ให้รองประธานผมหรือตอนนี้ผมก็จะมอบงานแหลกเลยแต่ผมจะเป็นโคช้ชให้ระยะหนึ่งแล้วก็เราก็ดูหน่วยการว่าใครมันเอาจริงผมก็มอบองค์กรผมให้ไปเลยเพราะว่าวันหนึ่งผมต้องตายแล้วก่อนตายตอนนี้ผมป่วยแนละ้วผมจะเคลื่อนไหวตัวเองเหมือนเก่าไม่ได้ผมยกมูลนิธิผม40ิบล้านให้ไปเลยเพราะเป็นเงินสาธารณะเพราะไม่ใช่เงินผมไม่ใช่มูลนิธิผม แต่ผมดูคนที่จะมาหมายต่อนี่ผมจะยกมาจะยกมหาวิทยาลัยที่เอาให้หมออย่างที่โคราชเนี่ยทำเลยเพราะเขามีหน่วยการที่เอาจริงเอาจังตอนนี้ถามว่าข้อจํากัดของที่พูดเนี่ยเป็นประเด็นพบเพชรด้วยที่เป็นโลกนะครับกับเพืนพบเพชรจะถ่ายบทบาทได้อย่างไรจะฝึกคนกับ2จะหาคนที่มุ่งมั่นได้อย่างไรนี่เป็นประเด็นนะครับเชิญครับที่พิชิตครับนี่เป็นประเด็นที่สองในเรื่องโจทย์ที่มันมั น, ม, นมันบวกลบนะครับ ครับขอโอกาสท่านอาจารย์ในฐานะนักเรียนก็คิดว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นวิชาการที่ใช้ในโลกนี้และประเทศไทยก็ได้ทามาแล้วคือซิปอันดับแรกเนี่ยเป็นวิชาการว่าการบริหารงานจะต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนและมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งในหขั้นเนี่ยพอจะเข้าใจยอมรับกันได้ไหมว่าเป็นจริงต้องตามนี้ทําไมงันนักเรียนงงผมดูหน้าแล้วงงเลยเนี่ย เพราะแต่ละคนก็จะมีแต่ละภพภูมิอยู่ในภพนั่นก็จะออกมาพนละเรื่องบางทีมันโยงไปโยงมาผมอยากล่าบเรียนอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมครับว่าค่อยๆลาดับตามเมื่อนักเรียนถามความเข้าใจกขาว่าชัดเจนไหมวันที่ห้าข้อต้องทํา6ข้อ6ข้อ7นั่นเป็นเรื่องทางภายในทางจิตวิญญาณต้องสํานึกเองเพราะนั่นเมื่อ5ข้อนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วอยากจะให้อาจารย์ค่อยๆลําดับเพราะไม่งั้นเราจะสับสน มันจะยุ่งยากอยู่หน่อยแล้วประกาศนิสสอมันจะเพื่อจะให้เรื่องนี้มันชัดเจนว่าการที่เรามาเรียนรู้ครั้งนี้จับกรณีนี้ขึ้นมาศึกษาว่าจะมีผลการเรียนในวทนบได้จริงหรือไม่เรามาเพื่อเรียนรู้แล้ก็แก้ปัญหาช่วยกันไม่ได้มาเพื่อจะสอบถามว่าใครผิดใครถูกใครมีเหตุมีผลในเรื่องนั้นมากนักต้องชัดก่อนนะว่าจากกรณีนี้เรียนในห้องเรียนในทฤษฎีได้แล้วนะเข้าใจทุกคนก็จับไม้พูดกันได้ บันทึกลงสมุดก็มีแล้วแต่ถามว่าถ้าจะนำสู่การปฏิบัติจริงที่ปัญหามันเกิดอยู่แล้วทุกเราก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ไหมหลักต้องยืนหยัดนะครับไม่ใช่เรื่องการมาจับผิดกันอะไรทั้งสิ้นจะทำยังไงให้โรงสีบรรดาศักดอโศกและมวลมนุษยชาติเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นการลาดับเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้จะบริหารยังไงก็อย่างนี้ นายกปูที่บินไปต่างประเทศก็เพราะผิดหลักห้าประการนี้แหละไม่ได้หลักอื่นล่ะที่อาจารย์อธิบายแต่มันสั้นในอย่างอาาธิบายและทำให้เขาเข้าใจแต่ละขั้นตอนว่าในแต่ละขั้นตอนพวกเรามีส่วนร่วมขนาดไหนทางข้อแรงแพทย์เองก็ต้องเปิดใจเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนรวมท่านก็ได้พูดแล้วว่ามันเป็นของทุกคนพวกเราจะเข้าไปจะทํายังไงเราของส่วนรวมเนี่ย ก็เหมือนประชาชนที่เป็ไต่ที่เราไปสู้มาเนี่ยแหละก็อีกกลุ่มหนึ่งเขาทําไม่ซื่อจริงไหมละ่ะเราก็ไปเรียกร้องว่าทําให้มันตรงซะทั้งนั่งที่คนมาทําให้ตรงขนาดนี้ก็ไม่ได้พอใจหรอกเพราะมันก็รูปรอยเก่าคือทหารแต่เราก็จํายอมไหมละ่ะเพื่อให้มันดีขึ้นในสถานการณ์ครั้งนี้ลงสีเนี่มันน้ําก็จะมาท่วมเราจะทํำยังไง ยงสมสมุตินะอย่างพลังเพชบอกว่าอยากจะทําไอ้ถนนเทคนปีดถามว่าเทตัวนี้เทได้ไหมหดลงอย่างเงี้ยอันนี้เราเป็นวิธีกา ร, รทางนี้ก็อยากเอาจะพึ่งเทจะเอาอื่นได้ไหมสิ่งนี้แหละจะจับมาศึกษากันและทําให้ได้จริงแก้ปัญหาให้ได้ลองดูนี่เป็นแค่หนึ่งกรณีที่อาจารย์กําลังจะขโมดให้สรุปให้เพราะนั้นพวกเราช่วยกันคิดในแต่ละขั้นตอนของอาจารย์ที่กําลังจะอธิบายเนี่ยว่ามีส่วนร่วมมีอะไรอย่างไงทุกฝ่ายต้องเปิดใจออกมา ถ้าหาไม่เปิดใจออกมาตรงนี้การแก้ปัญหาตามทฤษฎีที่เรามาเรียนก็คงจะปิดฉากวนาบ อ, บ อ, บอได้เลยแสดงไม่ได้ผลนะถ้าหากแก้ปัญหาเรื่องที่บระหลาดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ช่วยกันกพี่กับ น, น้องอันนี้เป็นความตั้งใจที่แม้แต่พอะท่านเองก็ต้องให้ความตั้งใจในตรงนี้ว่าเป็นวิธีการที่พี่น้องได้ันหน้ามาคุยกันและแก้ปัญหาร่วมกันจริง ข่าคกานะคะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราจะแก้ปัญหาหลายระดับนะคะ1ระดับฐานงานไปเลยคือโรงสีเท่ากับว่าเราจะให้เป็นนิวโรงสีบุญคุณข้าวอันนี้ระดับใหญ่เลยนะคะแต่นี้นกำลังมองว่าในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินขนาดนี้ค่ะเราสามารถที่จะกรอบตัวปัญหาในภาะวะฉุกเฉินได้หรือไม่ นั่นคือปัญหาว่าทำอย่างไรจะไม่ให้ข้าวห้าร้อยตันใช่ไหมคะที่มีอยู่นี้เสียหายห้าร้อยนะคะจะไม่ให้ข้าวจำนวนเนี้ค่เสียหายจากภาวะน้ำท่วมที่มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดขึ้นในราชธานีสศกในเวลาที่ไม่นานนะักท่านก็อยากจะเรียนเสนอว่าถ้าเราจะคิดปัญหาใหญ่ก็อาจจะต้องใช้เวลาใช้การวิเคราะห์ที่อาจจะต้องเป็น เป็นบทเรียนบทต่อไปว่างั้นเลยนะคะแต่บทเรียนบทแรกที่เริ่มต้นจากง่ายไปหายากเราก็จับประเด็นตรงนี้ค่ะประเด็นฉุกเฉินเฉพาะหน้าตรงนี้ค่ะประเด็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ระดมความคิดในขั้นตอนที่ท่านอาจารย์อนเนกจะให้องค์ความรู้กับเราอะคะ่ะไม่ทราบเพื่อนๆที่สิทจะเห็นเป็นประการใดคะ ขออกาส น, นะครับคือปัญหาปัญหาที่ที่อาจารย์เขียนเรียงตั้งแต่การตลาดการแปรรูปข้าวการบริหารร่วมการเงินอะไรเนี่ยปัญหาหลากักๆเนี่ยคือคือการตลาดไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ที่เราน่าจะพูดถึงตรงนี้ก็คือการมีส่วนร่วมเข้าไปบริหารนะครับซึ่งซึ่งก็ติดล็อกตรงที่ว่า การสืบทอดหรือการถ่ายทอดงานที่จะให้คนที่จะเข้าไปร่วมซึ่งพลังเพชรมีจุดแข็งพลังเพชรก็คือพอลังเพชรเกาะติดเอาจริงเอาจังแล้วก็ดูคนที่จะมารับการถ่ายทอดเรามีหน่วยการมีลักษณะแบลวัยลึกพอไม่ที่จะมอบมอบความรับผิดชอบลงสีซึ่งมีเทคนิคพิเศษซึ่งมีองค์ความรู้ ซ, ซึ่งซึ่งเป็นคนที่มีองค์ความรู้พลังเพชรที่จะถ่ายทอดให้ล็อกก็คืออยู่ตรงนี้ อยู่ตรงที่คนที่จะเข้าไปเนี่ยจะเป็นใครเข้าไปไอ้พวกเราเนี่ยหาได้ไหมคณะกรรมการชุมชนหรือคนในชุมชนเนี่ยมีใครที่มีจิตอาสาผมนี่แหละเป็นช่างสมมตินะผมนี่เป็นช่างผมเคยเแหมพูดน้ำไหลไฟดับนะถ้าผมเป็นช่างนะผมเคยอยู่โรงสีมาหรือผมมีประสบการณ์หรือผมพร้อมที่จะเรียนรู้คนที่เปิดตัวแสดงตัวอย่างเนี้ย ไม่มีหรือมีหรือเปล่านะามีหรือเปล่าฝากให้พวกเราที่ที่ร่วมสภานิสิตตอนเนี้ช่วยคิดหรือนิสิตคนไหนมีองค์ความรู้อย่างเราที่จะไปคุยกับพ่อแรงเพชรว่าผมพร้อมแล้วนะผมจะเข้ามาเทคโอเวอร์หรือผมจะเข้ามาช่วยพ่อแรงเพชรหรือพ่อแรงเพชรเนี่ถอยไปนะให้พ่อแรงเพชรถอยไปก่อนเพราะว่าพ่อแรงเพชรมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมจะมาเป็นญาติพ่อแรงเพชรมาสืบทอดตรงเนี้พ่อแรงเพชรจะถ่ายทอดให้ไหมหรือมีคนที่ ที่เป็นอย่างที่ผมว่านเนี่ยจะเข้าไปรับพลังเพชรมีหรื อ, อยังปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้ามีคนตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยการตลาดมีออเดอร์มาก็ทําตามตลาดได้ปับป๊บ ป, บปบัอุทยานขาดเข้าสารก็มาบอก ก, อก็เอา้าก็ากาไปได้เข้ามีแล้วก็แทกเข้าส่งให้อุทยานปัญหามันอยู่ที่ว่าที่เราพูดไปพูดมาเนี่ยมันไม่ตรงประเด็นประเด็นคือการสืบทอดที่จะไปรับช่วงพลรงเพชรหรือไปช่วยหรือจะมีกระบวนการร่วมอย่างไรอันนี้คือคือปัญหาที่ เราจะต้องหาตัวตนคนมามาทำตรงนี้มาทํำลงสีเนี่ยมาบริหารมาช่วยบริหารมาช่วยทั้ง5ส้สทั้งช่างเครื่องหลกัหลกๆก็คือช่างเครื่องแหละเพราะพ่อเลีงเพชรป่วยพราพ่อเลงเพชรป่วยเนี่ยก็สีข้าไม่ได้ออเดอร์ก็รอไปหน่อยอันนี้ก็มีการพูดคุยกันเอ๊ะทำไมพ่อเลี้ยงเพชรป่วยเอาทําไมไม่ถ่ายทอดให้คนอื่นหาคนารับการถ่ายทอดไม่ได้อันนี้คือปัญหานะครับให้เราเค้นหาปัญหาว่าให้เราเค้นหาว่าใครจะมารับมีเรื่องอย่างตอนนี้ นะมีก็บอกออกมาเลยแสดงตัวตวนออกมาว่าคณะอย่างนี้อย่างนี้หรือถ้าไม่มีในขณะที่พอ่อแรงเทศป่วยเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะเข้าไปช้อนแทนพอ่อแรงเทศรีบจัดกระบวนการรีบจัดการว่ามีคนยงหนึ่งสองสามสี่ที่จะเข้าไปร่วมกระบวนการโอเคครับเดี๋ยวเรายังไม่แก้เราหาประเด็นก็คือต้องหาคนมารับช่วงช่างเครื่องหรือว่าความเชี่ยวชาญที่พ่อเพชรมีรเป็นผู้สืบทอดสองคนเนาะซึ่งตอนนี้อยู่ในคนคนเดียวหมดเลยเพราะาเก่งมากใ่ครับก็ต้องหาให้ได้ แล้วอาจจะไม่ใช่คนเดียวเพราะบทเรียนคือถ้าเป็นคนเดียวป่วยปุ๊บนี่เป็นปัญหาก็ต้องหาทีมใช่ไหมครับทีมเก่งเรื่องเครื่องทีมเก่งเรื่องการจัดการลงสีทั้งหมดใช่ไหมครับที่โปรเฟสมีประสบการณ์สูงมากพอแลงเพ็ตก็ต้องก็ต้องเปิดใจที่จะถ่ายทอดงานให้ให้คนที่จะมารับเหมือนที่ลงสีเหมือนกับชาวโศกที่กราจะถ่ายทอดสุขภาพถ่ายทอดเรื่องบุญนิยมเรื่องกสิกรรมธรรมชาติเหมือนกันไหมถ้าไม่ถ่ายทอดก็ไม่มีคนสืบทอด แต่การถ่ายทอดต้องต้องต้องเป็นอาจารย์ไหมต้องมีหลักสูตรไหมต้องมีใช่ไหมครับก็ต้องตั้งใจจะให้มีลูกศิษย์ใช่ไหมครับวันนี้พ่อท่านก็ตั้งใจที่ให้พวกเราเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมครับเพื่อถ่ายทอดสิบทอดจากพ่อท่านเห็นไหมครับทุกคนกําลังทําหน้าทีท่ทั้งทั้งทั้งระบบเลยใช่ไหมครับทั้งทุกทุกทุกอ ว, วัยวะลงสีเอยลงนาเอายลงอาหารสุขภาพเอยลงปูเอยถ่ายทอดหมดใช่ไหมครับ เพราะนการาถ่ายทอดเพื่อหาุก็ต้องหาผู้สืบทอดหรือที่เรียกว่านักศึกษานักเรียนหรือเยาวชนเห็นมเพราะั้นอันนี้คือประเด็นว่าทุกคนในขณะที่ทุกคนต้องไปแรงงานเป็นข้อจํากัดพพพเพราะเพราะเพราะเพจก็เป็นข้อจํากัดตรงที่ว่ากําลังป่วยเห่นไหมเพวกเราก็กําลังแก่ใช่ไหมครับเพระนั้นก็ต้องสืบทอด <laughs> เหมือนกันอันนี้ประเด็นเดียวกันว่าทำไงประเด็นเก็บไปก่อนนะครับว่าผู้สืบทอดเป็นประเด็นสําคัญนะครับโอเคได้แล้วครับเอาเช่น แต่นี่พี่ที่พี่พี่เชนบุญพูดนะครับห้าขั้นอย่างน้อยเนี่ยใครสงสัยไหมครับผมถือโอกาสทวนนะครับว่าเมื่อกี้พี่คนนี้พูดว่าจุดสําคัญคือตรงแการแปะลูกข้าวขันที่2เพราะว่าพ่อเพชรกับผู้สืบทอดแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยแล้วก็ลานตากที่พ่อเพชรพูด น, นี่อยู่ในขั้นที่2องนะครับรขั้นที่หนึ่งนี่ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหานะครับ แต่จะไปปัญหาใหม่ถ้าจะเอาแสนตันไปให้คนเมืองนันค่อยหากันว่าจะห า, หาใบสั่งซื้ อ, อยังไงขั้นที่3ก็คือการมีส่วนร่วมในการร่วมบริหารนะครับก็โดยเพราะเรื่องการตัดสินใจจะรับออเดอร์เท่าไหร่จะขนข้าวมาทันไหมจะแปลทันไหมคนคนคนแปลคนสีข้าวอย่างลุงเพชรจะมีคนมีทีมช่วยไหมและมีแรงงานมากกว่าแรงงานคือการร่วมกันตัดสินใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่คงต้องตัดสินใจโดยหากรไก่นะครับเพขาไม่ใช่ทางคณะอย่างนี้ ธุรกิจไม่ได้ทําด้วยคณะใหญ่ๆ ใ, ใช้คณะเล็กๆแต่ใช้คณะแต่เป็นเป็นโชห่วยโชห่วยนี้เป็นไงครับเป็นรายค้าส่วนตัวส่วนครอบครัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น 11, เ e เ e ่นอเลฟขาเป็นบริษัทมีทีมงานแบ่งงานกันชัดเจนอันนี้ก็เรื่องที่3อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่มากคือเรื่องการตัดสินใจร่วมกันต้องมีข้อมูลร่วมกันไหมอย่างวันนี้เรามาข้อมูลมามาแชร์กันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยกันแล้วก็หาผู้สีบทอนแล้วประเด็นอะไรมีปัญหาช่วนแก้ อันนี้ก็เพราะทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจร่วมก็อยู่เรื่องการบริหารขั้นที่3แต่ถ้าไปขั้นที่4คืออะไรครับพอเราขายเข้าวได้เราก็จะได้เงินมาใช่ไหมครับทางโลกก็จะมีระบบบัญชีมีเวทีรายงานแล้วก็มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นคนคนเดียวกันไหมการเงินกับผู้บริหารเป็นค น, คนเดียวกันไหมและผู้สั่งซื้อคนเดียวกันไหมคนละคนและนี้ผู้สอบบัญชีก็คนหนึ่งคนถือเงินก็คนหนึ่งคนลงบัญชีก็ต้องอีกคนหนึ่ง เพราะถ้าเป็นคนคนเดียวหมดเป็นไงครับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่รู้เลยใช่ไหมครับแล้วมีเวทีไหมเพื่อให้ทุกคนรับรู้ก็คื อ, ค อ, คอชาวชุมชนทั้งหมดนี่ขั้นที่4ี่นะครับเรื่อง ก, การเงินที่ผมเรียนมาโดยตรงเลยกับการบัญชีซึ่งผมเป็นนักบัญชีแต่ไม่ยอมทำขั้นที่5คืออะไรครับกำไรซึ่งมีกำไรเงินกับกำไรบุญใช่ไมครับกไรนามธรรมาแต่ว่ากาไรเป็นของใครครับลงสีนี้ก่อตัอง้ต ง, ตงลงสีนี้ทุนเป็นของใครครับ เป็นเหมือนซิเป้เลยเป็นสาณาโภคีที่เพราะท่านใช้คำํำถ้าภาษาพระผมใช้ก็เป็นทรัพย์สมบัติส่วนรวมใช่ไหมครับเพราเมื่อเป็นของส่วนรวมเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องมาเป็นของส่วนรวมจริงไหมอันนี้ก็ต้องรับรู้รวมกันเมื่อรับรู้รวมกันก็ต้องมาแบ่งกับนายรวมกันหรือแบ่งให้ตลาดระยะร่วมกันหรือเป็นบุญร่วมกันคือขาดทุนให้ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าทางทางทำก็ต้องทำเรื่องเรื่องเรื่องของขอ ง, ของทางด้านนี้ใช่ไหมครับ แล้วชาวโศกก็ยังมีการไปแบ่งบุญที่ตลาดอรยะอีกใช่ไหมครับแต่ว่าต้องให้เห็นตัวกําไรที่มาที่ไปไปไปในส่วนตลาดตรงนี้คือการแบ่งปันใช่ไหมครับต้องรับรู้ร่วมกันไหมต้องมีการส่วนรวมอีกไหมก็มีมีแบบนี้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าห้าขั้นที่พี่เตียนบุญขอให้แต่นี้ทุกท่านเห็นชัดไหมครับชัดไหมครับก็ตอนนี้เสนอแล้วว่าประเด็นที่การแปรรูปข้าวเนี่ยต้องแก้ทํำไงผู้สืบทอด กับช่างเครื่องพอเพชตั้งประโจทย์ว่าลานตากเนี่ยอีก300ตันไม่มีลานตากแล้วก็ที่คนก็ถนนก็น้ําจะท่วมอันนี้ประโจทย์นะครับโจทย์คนกับโจทย์ของโจทย์ถนนกับโจทย์คนเชิญครับใครจะเสนออะไรครับตอนนี้การมีส่วนร่วมเนี่ยอยากให้ปรับใ ห, ให้ให้ประเมินอีกว่าจะต้องเพิ่มอะไรไอ้จะขาดอะไรที่ผ่านมาขาดการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับอันนี้พบชัดอันที่หนึ่งจะต้องมีคณะทํางาน คณะกรรมการที่มีอยู่แล้วจะมีข้อปรับปรุงอะไรนะครับเรื่องการเลือกต่อไปครับเชิญครับมี5ขั้นใครเสนออะไรออในเรื่องที่3 <คะ S 2> ที่4ที่5ครับเขาโอกาสค่ะถ้าสมมติว่าเราไล่าตามขั้นตอนที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีคําตอบเลยนะว่าการทํางานโรงสีนี้มีคณะกรรมการหรือไม่เพราะท่านที่นี่มีมีมีกรรมการชุมชนอยู่หลายท่าน อ, าอยากให้กรรมการชุมชนช่วยช่วยบอกความชัดเจนตรงเรื่องนี้นิดหนึ่งว่ากรรมการชุมชน มีส่วนรับรู้ในเรื่องของโรงศีมากน้อยแค่ไหนและค้าร ก, กรรมการโรงศีมีใครบ้างอยากขอความชัดเจนตรงนี้ค่ะก่อนที่เราทําต่อไปขอบคุณค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้แม้กระทั่งว่าวิธีการเก็บเงินเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบและบัญชีใครเป็นคนทำํำและผลผลกา ร, รดําเนินงานของกิจการโรงศีเนี่ยมันสามารถมีข้อมูลอะไรบ้างไหมตลอดเวลายี่ิปีที่ผ่านมา ตรงนีมน้มันเป็นจุดอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยมาตลอดถ้าเคลียร์ความชัดเจนตรงนี้ได้เราก็จะรู้ว่าจุดบอดตรงไหนที่เราจะต้องแก้ไขหรือถ้ามันไม่มีเลยทั้งระบบนั่นก็คือการที่เราจะต้องเข้าสู่ยุทธศาสตร์ที่อาจารย์เสนอไปเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะขอบคุณค่ะผมต่อหนึ่งฟ้าด้วยมันจะไม่ต้องมีแค่ทางานด้วยตอนนี้มีไหมหรือใช่ไเพราะว่าลงสีมันทาไม่ได้เราคนเดียวใช่ครับ เราอาศัยบูญนิยมก็ต้องมีคณรทำงานว่าต้องต้องประสานกับชุมชนต้องอาศัยแรงงานอาศัยการตัดสินใจอาศัยมันอาจจะมีแต่ชุดนี้ที่ทหนึ่งฟ้าถามว่ามีมีอยู่ยังไงครับเชิญเลยครับเอาเอาเรื่องการเงินการตัดสินใจเอา3ามเรื่องแล้วกันครับการเงินบัญชีการตัดสินใจนี่ทํำยังไงครับคณะกรรมการไทยมีใครใครใครับผิดชอบครับมีใครบ้างครับคณะขบคันนี่มันอยู่ในชุมชนเลยครับการเงิน การเงินชุมชนปัจจุบันนี่คือไผ่กะอปะตะกอนนี่พรอนตะ ว, วันกับพรอนตะ ว, วันปลาการตลาดคือไผ่กาธรรมคุณมือนี่ปัจจุบนันของกาธรรมแต่ผู้รับผิด ช, ชอบทั้งลุงสีคือไผ่แ่คือแรงเพ็รแรงงามกับมีแค่นี้ครับ <c oughs> าารครับโซว่ามีกี่คนครับ 4คนแต่ ย, ยนีมี่พ่ออไปเขาไปซอยครับอัจจินครับครับมาพูดถึงทีหนึ่งฝ้าถามมหันด้ครับเบิบังครับครับเอาไม้ครับไมเอาห้าคนนะครับคำถามเนี่ยมันทุกเรืงคณะทงานและคณะกรรมการคณะกรรมการนารรารี่หมายถึงกรรมการชุมชน คณะทํางานคือหมายถึงคณะทํางานของโรงศีนะไอรงศีเนี่ยคณะกรรมการชุมชนเนี่ยเขามีส่วนรับรู้ในเรื่องของการเงินการบัญชีรวมซึ่งตรงนี้เราก็จะไปคงจะต้องมีเวทีที่จะคุยกันต่อว่ากรรมการชุมชนในเรื่องของการเงินบัญชีเนี่ยทำกันอย่างไรนะคะแต่ที่ถามคือคณะทํางานของโรงสีเองเนี่ยมีใครบ้างแล้วการบริหารจัดการที่ผ่านมาที่บอกว่ามีปัญหาโน่นโน้นนี่นใครเป็นคนตัดสินว่านี่คือปัญหาของฉันแล้วกรรมการชุมชนเนี่ยมีส่วนรับรู้ด้วยไหม ในประเด็นปัญหาใหญ่ๆเช่นประเด็นที่ยกมาเมื่อเช้านี้คือประเด็นบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวเสียหายจากน้ำท่วมมีทางเดียวสำหรับผู้บริหารโรงสีที่พูดมาเมื่อกี้คือต้องทำถนนลาดปูนซีเมนเท่านั้นคอนกรีตเท่านั้นจึงจะแก้ได้ถามว่ากรรมการชุมชนคนอื่นหรือคนอื่นในชุมชนเนี่ยสา ม, มารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมว่าจาเป็นหรือไม่จะต้องทาวิธีนั้นมีทางอื่นหรือไม่ ถ้าสมมติว่ามีความเห็นต่างสามารถทำได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นที่มีข้อถกทิ้งกันตลอดมาหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าพ่อแรงเพชรป่วยนะคะแล้วต้องการหาทายาทแต่หากี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยได้สักทีความพยายามของชุมชนก็บอกว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วจะสมคลเข้ามาแต่ดุลพินิจของพ่อแรงเพชรก็ไม่เคยวินิจฉัยได้เลยว่าคนเหล่านั้นมีศักยภาพหรือไม่ แสดงว่าคุณภาพของคนบ้านลาดเนี่ยค่อนข้างจะตำ่ตำต่ํามา ก, มากๆเพราะว่าไม่สามารถทําแม้กระทั่งการบริหารโรงสีได้อันนี้ดิฉันพูดแบบแบบแบบคนนอกนะคะ <S <S <ๆ>ว่าถ้าเป็นแบบมีเองโรงสีทั่วประเทศมันคงจะเจ๊งไปหมดแล้วถ้าต้องการผู้เชี่ยวชาญสูงขนาดนั้นนี่นี่คือแค่ยกตัวอย่างเล่นเล่นเฉยเนะคะว่าอะไรคือเหตุผลเกณฑ์การพิี่ณาของพ่อแรงเพชรที่จะถ่ายทอดให้กับทายาทมีคุณสมบัติชนิดใดอันนี้คุณต้องบอกชัดเจนนะคะแล้วก็การที่มีคนเข้าไปและที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยทำอะไรได้เลยเนี่ย ชุมชนจะอยู่รอดได้อย่างไรเพร <อ S 2> าะว่าโรงสีเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญสูงสุดดิฉันขออนุญาตพูดว่าในฐานะที่ผู้บุกเบิกชุมชนบ้านลาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนไปชวนพ่อแรงเพชรและครอบครัวเข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้เป็นฐานงานฐานแรกของบ้านลาดแล้วก็ลงทุนค่าใช้จ่ายสูงที่สุดของบ้านลาดที่ผ่านมานี่นี่คือต้นเรื่องของการเกิดแปลว่าเราให้ความสาคัญกับโรงสีสูงที่สุดยิ่งกว่ากิจกรรมใดๆทั้งสิ้นขออนุญาตถามนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ครับ เขาว่าลงทุนนี่หมายความว่าคือคนที่มีความสามารถที่มีความพร้อมจะมาทํางานนี่เลยมันไม่มีมันไม่มีเลยแต่พ่อแรงเพชรนี่เป็นเจ้าของโรงสีเดิมนะคะแล้วก็ยินดีจะมาทํายินดีที่จะมาทําอันนี้จะขออนุญาตบอกเล่าที่มานิดนึงคะ่ะแล้วก็เลยคุยกันว่าแล้วพ่อแรงเพชรจะทําอย่างไรจร่ายเข้ามาได้พ่อแรงเพชรเลยเล่าให้ฟังว่ามีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดห้าแสนบาทเออ เราบอกแล้วแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มี5้0 0 0นบาทพ่อแรงเพชรเข้ามาช่วยงานไม่ได้ณวันนั้นเราไม่สามารถหาที่ไหนได้เลยแต่เราต้องการเกิดโลงศีเราบอกอย่างนั้นเราหาทางหาเงินมาให้พ่อแรงเพชร 5,000 500, สนบาทแล้วขอให้พ่อแรงเพชรย้ายเข้ามาทั้งครอบครัวทรัพย์สินที่มีทั้งหมดคือรถสี่้นอนคันรถหกลอ้อหคันเครื่องจักรลงศรีที่บ้าน1อันและครอบครัวคือลูก2คนและพ่อแรงเพชรและแม่แรงงาม เข้ามาในชุมชนคืนนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จัดการเคลียร์โรงสีบัลาดจึงเกิดตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้20ปีนะคะนี่คือที่มาของเรื่องราวว่าเราให้ความสําคัญโรงสีเป็นอันดับหนึ่งของการเกิดชุมชนเพราะคือแหล่งผู้ผลิตอาหารให้เรากินเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมาถึงวันนี้20ปีผ่านไปดิฉันก็ย้อนกลับไปเชิญพ่อแรงเพชรเข้ามาเพื่อจะเข้าสู่ขบวนการกลุ่มว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะก่อนที่จะไปพูดเรื่องฐานอื่น น, นี่คือประเด็นที่กําลังบอกว่าสิ่งที่เรารู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ ปัญหาซ้ําซากไม่มีทายาทหาคนมาก็ไม่มีฝีมือดุลพินิษฐ์เป็นของใครก็ได้คําตอบว่าก็พ่อแรงเพชรคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินว่าเป็นผู้เหมาะสมหรือไม่คําถามว่าปัญหาเหล่านี้ชุมชนยอมรับได้หรือไม่ว่าต้องมีพ่อแรงเพชรเท่านั้นแล้วคนอื่นไม่มีความสามารถจริงๆจึ ง, จ ง, จงต้องปล่อยปให้เหตุการณ์แบบนี้ผ่านไปแล้วคําว่าการเงินบัญชีในคณะทํางานเองมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบ เพราะว่าบรรษักรรมการชุมชนใหญนะ่ไม่สามารถจะมารับรู้เรื่องการเบิกใจ่ายในบัญชีของของลงสีได้หรอกข้อแท้จริงก็คือมันต้องมีกรรมการบัญชีการเงินย่อยของคณะทํางานนี้แล้วการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทั้งหมดมันก็ต้องรู้ว่ามันคืออะไรกรรมการชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เป็นกรรมการนโยบายเนะี่ยก็ต้องเข้ามามายุส่วนและตัดสินใจได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดและทำเนี่ยทำได้หรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่ต้องที่ต้องเคลียร์กันและเป็นคําถามที่ไม่มีใครกล้าพูดอยู่ในขณะนี้ ขอถา ม, ขอขอถามผมยังไม่ตอนนี้เนี่ยลงสีนี่เป็นของพเ่เพชรหรือของชุมชนอโศกผมยังไม่เข้าใจความเป็นเจ้าของเนี่ยความเป็นเจ้าของอันนี้เรื่องสําคัญนะหรือถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจเซเว่นอีเลเวนทุกคนรู้ว่าเป็นของซีพีเป็นของบริษัทเป็นของส่วนรวมแต่ว่าเจ้าของลงทุนคือคุณธานินทร์เจวลาโนนแต่เขามีมีฝ่ายบริหารเยอะนะความเป็นเจ้าของนี่ใครเป็นเจ้าของคอเนี่ยอยากเป็นของ กองทับทับเป็นของชาวโศกครับ็เปนของผมครับของชาวศกเห็นตรงนสาธารณภคีครับประเด็นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่เป็นที่ประเด็นครับผมผมก็จะขอความชัดเจนหนึ่งเป็นลงสีที่หุ้นกันหลายหุ้นมาหุ้นทางใจหุ้นทางคนหุ้นทางเครื่องจักรลงมาเยอะแยะมากก็คือเป็นของส่วนรวมของสาธารณภคีใช่ไหมครับครับผมอันนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคอันนี้ปรเด็นต่นี้ถ้าเป็นของส่วนรวมตต่นี้มันมี ความเป็นกรรมการลงก็ต้องมีคนตัวแทนเข้าไปเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกรรมการร่วมกันตอนนี้ที่ผ่านมาใช้กรรมการชุมชนใช่ไหมครับครับใช่รครับประเด็นว่ากรรมการชุมชนกับกรรมการลงสีเนี่ยที่คุณหนึ่งฟ้าเสนอเนี่ยคุณจะเป็นชุดเดียวกันอย่างแนอดีตไหมครับไม่ไม่ควรอะไดีเอาเอ า, เอาไม่ไม่ใช่พูดรักคนหรือไม่ควรต่างมาเหตุผลว่ากรรมการชุมชนกับกรรมการลงสีซึ่งอาจจะเป็นคนเชี่ยวชาญรู้เรื่องการตลา ด, ลาดการเงินการบัญชีแล้วก็ต่อไปก็คือ มารู้เรื่องการเครื่องจกักรเครืมืออย่างลุงเพชรเนี่ยใช่ไหมครับก็จะช่วยลุงเพชรในการลุงเพชรสมมติเป็นลุงเพชรเป็นผู้จัดการที่ต่างนะสมมุติสมม ต, มมติผมตอนนี้ลุงเพชรตำแหน่งอะไรครับในโรงสีผู้รับใช้ครับทั่วไปเลยครับผู้รับใช้จะเรียกผู้รับใช้นะครับลุงเพชรอยู่นี่ตอนนี้ถ้าเราจะมีกรรมการคําถามคือระหว่างกรรมการชุมชนเนี่ยที่เดิมใช้ตรงเนี้ยควรจะเสนอใหม่มีข้อเสนอจากหนึ่งฟ้าว่าควรจะเป็นกรรมการโรงสีเฉพาะ กรรมการชุมชนเนี่ยน่าจะเรื่องกว้างไปทําทุกเรื่องเลยไหนจะเยอะแยะเลยแต่ลงสีตัวมันเองเนี่ยกี่ขั้นครับ5้าขั้นแล้วแต่ละขั้นปวดหัวไหมแล้วลุงเพชรคนเดียวว่ะหรือสองคนสามคนก็นแล้ห้าคนไม่ใช่นะครับอตอนนี้ต้องมีกรรมการลงสีโดยเฉพาะเอาละกรรมการชุมชนไม่เอาละท่ทุกคนเห็นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับถ้าไม่เห็นด้วยยกมือครับเอเชิญครับไม่เห็นด้วยยกมือเชิญครับ เห็นเห็นย่อพก็คือว่ากรรมการชุมชนมันมีหลายเรื่องมากให้ย่อส่วนมันเป็นกรรมการโลงสีนะเห็นตรงกันนะตามที่ครอบเสนอที่ประชุมจะเป็นอนุไมนุแล้วแต่ตรงแต่ว่ามีสิทธิเด็ดขานเรื่องอะไรครับเรื่องการตัดสินใจทุกๆเรื่องเลยใช่ไหมครับถ้าคนนี้ในทางเพื่อตัดสินใจอย่างผมเนี่ยผมมีผมก็มีข้ารามการผมถ้าผมป่วยเขาก็เปลี่ยนถ้าผมทํางานไม่ได้ผลเขาก็เปลี่ยนนี่ในทางโลกนะครับ ผมสัญญาปีต่อปีด้วยอันนี้เป็นบุญทํางานบุญนิยมก็เอาใจว่ากันแต่ว่าต้องมีการให้กรรมการใช่ไหมครับว่าเอ๊ะลุงเพชรป่วยนี่จะทําไงใช่ไหมก็ช่วยคิดช่วยหาทางออกเพราะนั้นกรรมการชุดนี้ก็ต้องหาไปหาผล ธ, ธุรกิจภายนอกเนี่ยเขาคนตายไปแล้วตายอีกแต่เขาหาการจัดการเขาต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องธุรกิจครอบครัวที่เก่งๆในหลายบริษัทเขาต่อเนื่องไหม อ, อ, อันนี้เราจะทํางานให้ต่อเนื่องเรากาลังคิดเรื่องการสืบทอดกันใช่ไหมครับเพราะนั้น พวกคนที่คิดคือใครครับคือชุดนี้ไปหาวิธีใช่ครับไม่ใช่ให้ลุงเพชรคิดคนเดียวตายเลยไหนกูจะต้องสีข้าวไหนกูจะต้องทำก็ทําอยู่ตรงนี้ประเด็นว่าโอเคประเด็นที่สองมีคณะกรรมการกรรมการก็จะไปดูแลแบ่งกันตอนนี้ถ้าอาโศกจะใช้จะใครครับคําถามที่สมคือยังไม่ต้องเลือกจะเลือกวันนี้ไหมครับจะหาคนไหม อันนี้แต่ไม่ใช่เช้านี้เดี๋ยวค่อยไล่ข้อมูลก่อนนะว่าจุดอ่อนก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งคือข้อเสนอจากข้อค้นพบก็คือว่าควรจะมีคณะกรรมการของตัวเองของโรงสีขึ้นมาตัดสินใจร่วมกับพักเพชรในเรื่องที่เป็นปัญหาหลายหลายสองประเด็นอย่างน้อยหนึ่งคือเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องลานตากเรื่องช่างเครื่องเรื่องถนนหรือเรื่องคนสืบทอดนะครับ2เรื่องเลยนะเป็นพระกรรมการไหมเป็นสองเรื่องแล้วเรื่องของกับเรื่องคน เรื่องเรื่องรุกอุปกรณ์เรื่องลานตากเนี่ยนะลานตากลานกับเรื่องคนเรื่อง2คือเรื่องคนคนสืบทอดเอาหามาให้ได้เพราะถ้าหาไม่ได้อโศกก็ล้มแน่เพาหาผู้สืบทอดไม่ได้ทั้งกระโศกเลยจริงไหมครับจริงไหมนั้นถ้าเราเชื่อว่าการสืบทอดเนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ต้องมีรุ่นลูกมีรุ่นหลานรุ่นเหลนงเราะั้นการสืบทอดเป็นเรื่องปกติไหมครับปกติอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องหาคนคนนี้ให้ได้แล้วลูกลูกเรามีกี่คนไหม เราก็ต้องเลือกว่าลูกคนไหนจะเหมาะใช่ไหมครับเหมือนแล้วลูกจะให้ <im itation> เขาเป็นอะไรหรือจะให้มอดกให้นาให้ไรเขาเราก็ต้องหาคนสืบทอดประเด็นก็คือว่าวันนี้เราต้องห า, าครับเอานี้เอาต่อไปเชิญครับคราวนี้ไล่ตรงนี้ต่อถ้าเรามีคิดหนึ่งฟ้าเสนอเรื่องกรรมการก็มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรื่องการเงินบัญชีครับเราเราเช็คสภาพก่อนแน่ดีเป็นยังไงครับเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งการเงินบัญชีเป็นไงครับเ <im itation> ชิญครับ ใ ค, ใ, คใครจะเปิดเป็นอื่นตอนนี้เราเราได้ข้อเสนอเรื่องการบริหารการมีส่วนร่วมด้วยการเช็คสภาพว่าการนี้กรรมการชุดนี้มันใหญ่ไปลุงเพชรแนดดิดพอเริ่มต้นก็ทําตอนเล็กๆมันก็ได้ผลอยู่แต่พอใหญ่ๆแล้วชักไม่ไหวแล้ ว, ล, วลุงเพชรป่วยด้วยนะครั บ, บค ร, วบครวาครวนี้ฮะโอ้ใช่ถ้ววาวอ้ออันนี้มันภูเขารากามาเลยนี่คือโจทย์ของทั้งอาศกเลย ที่เราต้องแบ่งงานใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเราเจอภารกิจที่ใหญ่ขึ้นใ ช, ใช่ไหมครับภารกิจที่ใหญ่ขึ้นมีทางออกก็คือทาคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวหรือแบ่งงานหาพวกมากขึ้นมันธุรกิจซ p พซขยายไปทั่วประเทศเลยบุกไปถึงตำบลแล้วมันถ้าเราจะขยายตัว เ, เพราะเรามีออเดอร์เข้ามามากขึ้นเราจะรับไม่รับถ้ารับเราก็ต้องขยายคน นนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคําถามอันที่สี่ครับกา ร, งการเงินการเงินบัญชีที่ขาดคำว่าการเงินบัญชีของโรงสีนี่หมายถึงว่าการเงินและบัญชีของโรงสีโดยเฉพาะนะคะว่าที่ผ่านมามันเคยมีการบันทึกเฉพาะส่วนหรือไม่เพราะว่าเป็นฐานงานที่มียอดเงินเกี่ยวข้องสูงหลายล้านบาทเฉพาะโรงสีอย่างเดียวเนี่ต้นทุนในการลงทุนนี้ที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะหลายสิบล้านนะอ้าวอย่างนี้ผมถามง่ายเฉพาี้ากจะมีข้อมูลโดยเฉพาะไหมมีไหมครับมีมีไหมครับ ปกติการเขาจะแบ่งไปสมกระเป๋าการเงินสารของบริษัทเนี่ยเงินลองจ่ายาแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันอีกว่าใครมีอำนาจเท่าไรเท่าไรแล้วก็เงินที่เข้ามากองกลางใช่ไหมครับเงินนี้ให้ผู้จัดการถือเพื่อคล่องตัวเฮ้ยเดี๋ยวค้าค่าน้ า, า, านมันเอาเลยไปจ่ายไปเลยแด้ออาไปเสร็จมาเขาเรียกเงินที่จ่ายคล่องตัวเาเรียกเงินรองจ่ายคือให้ผู้บริหารจ่ายแต่ที่เหลือเนี่ย อย่างผมนี่ก็มีเงินลงจ่ายและมีอำนาจตัดสินใจเงิน3ล้านเป็นอำนาจผมแต่เกิน3ล้านเป็นอำนาจของคณะกรรมการเซ็นเช็คผมเซ็นเช็คไม่ได้อันนี้เพราะว่าถ้าถ้าร อ, อ, อทุกอย่างร้อยล้าน10บล้านต่อสมัยซิเนี่ยต้องกรรมการเซ็นมันก็เกินไปเขาก็แบ่งอำนาจกันอันนี้เป็นของทางโลกนะครับคือแบ่งแบ่งแบ่งอำนาจหน้าที่กันทั้งอำนาจทั้งหน้าที่แล้วก็ถูกตรวจสอบกันซึ่งกันและกันถามว่าพวกเราเป็นยังไงครับที่ผ่านมา ก็โควตานะคะเป็นเป็นบัญชีเวลาสีข้าวตีอะไรออกนี่ดิฉันก็ทําไว้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นการเงินมันก็มาขึ้นกับการเงินของชุมชนไม่ใช่การเงินของโรงศรีควรแยกไหมครับประเด็นแรกตอนนี้รวมกันอยู่นะครับคาว่าการเงินของโรงศรีนี่แปลว่าคนที่ถือเงินของโรงศรีเราไปส่งไอการเงินส่วนกลางเน่ยคือใครแล้วมีวิธีการบันทึกการรับเงินการจ่ายเงินอย่างไรชื่อรายละเอียดเฉพาะของโรงศรีค่ะทดสอบค่ะ คือคือขออภัยค่ะคือการเงินคืออย่างนี้นะคะคือว่าโรงสีนี่เปรียบเสมือนฐานผลิตค่ะจะไม่มีการรับจ่ายเงินคือจะมีเฉพาะออเดอร์ใบสั่งของออกไปแล้วทีนี้เงินมันจะมีสองทางก็คือว่าการตลาดก็คือออกไปที่กรุงเทพกรุงเทพนี้เราก็จะไปจ่ายเงินที่กองบุญคือเป็นตัดตัดหนี้กันที่กองบุญเลยค่ะคือการขายขายข้าวที่ ที่ที่กรุงเทพทุกครั้งนี้จะตัดนี่ที่ททกองมุลเลยแล้วส่วนเงินที่จะเข้ามาทางชุมชนนี้ก็จะมาในลักษณะของร้านค้าค่ะร้านค้าก็จะนำเงินที่ขายข้าวเนี่ยนะเข้ามาที่การเงินชุมชนคำถามนะคะฟังคำถามใหม่ ช, ะชะัดๆคำถามก็คือว่ายอดขายสินค้าของโรงสี มันแยกออกจากมีตัวเลขที่ระบุไหมว่านี่คือค่าขายข้าวของโรงสีว่าจํานวนเงินเท่าไหรอันนี้คือยอดขายของของอุทยานบุญนิยมไอ้ น, นี่คือยอดขายของของสากลบุญนิยมมีการแยกไหมหรือว่าเงินมาเท่าไหร่ก็โปรรวมกันทั้งหมดคือยอดขายของบ้านราศเท่านั้นคําถามคือมีการแยกรายได้รายรับของค่าใช้จ่ายในแต่ละฐานงานหรือไม่อันที่หนึ่งนะคะอันที่2ก็คือเฉพาะค่าใช้จ่ายการดําเนินการในโรงสีเองเช่น จ่ายค่าน้ำมันรถวิ่งไปวิ่งมาค่ะไฟค่าน้ำค่าอะไรสารพัจิ ป, ปาทะตรงนี้มีบันทึกค่าใช้จ่ายหรือไม่ในการดำเนินงานแล้วมันจึงจะไปสัมพันธ์กับ รายรับและค่าใช้จ่ายของส่วนรวมด้วยมันต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ปรากฏไอ้ของรวมน่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามีน่ยมันมีแบบไหนคือแล้วแต่ว่าเขาจะบอกว่ามีของไปเท่าไหร่แล้วที่นี่ลงสีเบอร์ค่าใช้จ่ายจากส่วนกลางนำมาบริหารงานน่ะสัมพันธ์หรือสมดุลกันกับสิ่งที่รับเข้ามาและเอาออกไปหรือไม่ไอ้ตรงนี้่ถามว่ามีใครทําหรือไม่อะคะตอนนี้ก็เป็นที่บัญชีชุมชนค่ะบัญชีชุมชนก็ทําอยู่แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายฐานงานรายรับจากฐานงาน ซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าอารมณ์เย็นเป็นคนทำแต่ตอนนี้ก็คือสอนซึ่งเป็นการเปลี่ยนคนทำงานใหม่แล้วยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่มีข้อมูลตอนนี้ก็คือว่าข้อมูลเก่ามีตลอดค่ะก็คือบัญชีชุมชนเขาแยกให้อยู่แล้วว่าฐานงานแต่และฐานงานมีค่าใช้จ่ายอะไรและอะไรถ้าอย่างนั้นขอข้อมูลพวกนี้ย้อนหลังไปเท่าที่มีได้ไหมคะ ม, มีมีค่ะมีเขาเก็บไว้อยู่ที่บัญชีค่ ะ, ค ะ, คะ ส่วนส่วนของฐานงานก็จะมีตาลทํานะคะตาลแล้วก็มันจะเป็นในลักษณะของใบส่งของแล้วก็ค่าใช้จ่ายในในลงสีค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือหลักฐานที่อยากจะได้ว่าที่ทําไว้คือหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับการเงินบัญชีใหญ่อย่างไรและเราก็จะได้เช็คย้อนหลังว่ามันไปสัมพันธ์กับฝ่ายตลาดขายแปลรูปฝ่ายอะไรสารพัดตัวเลขมันจะต้องมีครบวงจรให้เราเห็นและถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าการที่พ่อครูเนี่ย เที่ยวประกาศปล่าวปล า, ว, ปลา ว, ว่าของเราบุญนิยมเราซื่อสัตว์สุจริตเราโ น, น่นเราหนี้เรามีอัตราการเติบโตก้า ว, วหน้าเยอะแย ะ, ยะถามว่าวัดที่ตรงไหนถ่ายรูปให้ดูว่าลงสีเราใหญ่ขึ้นแค่นั้นไหมหรืออะไรเราดีขึ้น คำปฏิบายพวกนี้ไม่เคยมีปรากฏเป็นตัวเลขเอกสารที่จะที่บายต่อสังคมได้เลยนะคะเรามีแค่เวลาพูดกี่ทีก็ทีกี่ทีก็คือเราแรงงานสรีเราบุญนิยมนะคะลงสีเราใหญ่ขึ้นเรามีพื้นที่อี ก, กว้างขึ้ น, โ น, โ, นโน่นโน่นนี่นี่แต่ถามว่ากลไกการพัฒนาของแต่ละฐานงานมีกระบวนการพัฒนาที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยตอบคําถามตรงนี้ได้หรือไม่ท่า น, นเราก็มาดูถ้าดูเสร็จแล้วมันไม่มีคําอธิบายเราก็มาเริ่มต้นนับหนึ่งวน ว, นวนมาทําหน้าที่แค่ว่าหนึ่งมีหรือไม่ อะไรที่มีอยู่มันถูกต้องหรือไม่ถ้ามันถ้ามันถูกถ้ามันถูกต้องแล้วเราก็ช่วยกันทําต่อแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องปรับใหม่และถ้ามันยังไม่มีก็ทําให้มันเกิดหน้าที่เราทําแค่นี้ที่ถามไปถามมาทั้งหมดคือคือต้องการให้มีจุดเริ่มต้นในการตอบคําถามสังคมว่าบุนนิยมมีการเติบโตขึ้นเติบโตเรื่องอะไรบ้างพื้นที่โตขึ้น คนขึ้นเพิ่มขึ้นไหมคุณภาพของคนเพิ่มขึ้นไหมฐานงานแต่ละฐานงานมีเพิ่มขึ้นอย่างไรแค่เฉพาะป ร, ะริมาณที่มันเพิ่มขึ้นหรือคุณภาพในการทํางานมันดีขึ้นคนถือสินที่ผ่านมา20ปีมีถือสินได้ในระดับหนึ่งผ่านมาอีก20ปีคุณภาพของคนเนี่ยที่ทำงานมีอะไรบ้างที่พัฒนาเพิ่มขึ้นนี่ น, น, น, นี่คือสิ่งที่เรจาจะอธิบายต่อสังคมได้ทั้งในเรื่องของรูปธรรมและนมามธรรมนะคะทีนี้ถ้ามันมีอยู่แล้ว มันก็เป็นเรื่องที่ดีเราก็เดินต่อแต่ถ้ามันยังไม่มีช่วยกันทำข้อมูลและหลักฐานให้มันชัดเจนและตรวจสอบได้แค่นั้นเองค่ะขอบคุณครับผมฟังดีครับขณะ น, นี้การเงินเนี่ยผมเข้าใจถูกไหมผมผมนักการ ก, ก, ก็ยังงงงง <3. S 2> หนึ่งเวลาเงินเข้ามาเนี่ยมีทั้งเงินที่ฐานที่รลธานีใช่ไหมครับฐานงานที่พูดเนี่ยเงินเข้าที่ที่อารม์เย็นคนไหนไม่รู้ ไม่ไม่ใช่ครับลมเย็นเป็นบัญชีครับเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีนะแต่เงินนี่ไปอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยใช่ไหมเงินอยู่ที่กองบินที่กรุงเทพแล้วกองบินก็เอาเข้าบัญชีของบรรลักษณ์อีกทีหนึ่ง<ฆ>ประเด็นก็คือว่ามันรวมกันการเงินของโรงศรีเฉพาะเนี่ยมันควรจะแยกจากเงินระบบชุมชนเมื่อกี้เราคุยกันว่ากรรมการชุมชนต้องแยกจากกรรมการลงศรี เพรกรรมาการลงสีต้องดูแลเรื่องการจัดการเยอะมากห้าพันตอนเนี่แต่นี้การเกินเหมือนกันฟังดูมันก็พันๆกันระหว่างผมยังไม่ชัดนะครับว่าเจ้าข้อมานนั่งไล่หรือให้บนบอไล่ข้อเสนอเนี่ยบอมันนั่ บ, นบอลนบก็รับภาระทางโลกไปด้วย <c oughs> ว่าไอ้มันมีหลายกองเลยเกินกองแล้วกองนี้มันกองลงสีเฉพาะหรือเปล่าผมยังไม่ชัดว่าเออขอโอกาสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะทีออ่ที่มันเป็นสองส่วนก็เป็นลักษณะที่ว่า เราเกลื้อเงินมาจากส่วนกลางกองกุลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพอเราขายสินค้าไปปั๊บเราก็จะโอนเข้ากองกุลไปเลยอะค่ะอันนั้นอันนั้นก็เลยเงินก็เลยกลายเป็นสองส่วนและอีกส่วนหนึ่งก็เข้าชุมชนอ่ามีรสามส่วนอีกก็จริงๆแล้วเข้าชุมชนค่ะเงินเกล้อก็คือเงินยืมอะค่ะเงินเงินเงินกู้ของข้างนอกอะค่ะแต่ว่าเราเป็นเงินเกลื้อเพราะว่าเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะ เท่ากับมีสามกองเลใช่ไหมตอนนี้เท่าที่พูดจริงๆแ ล, แล้วมันมันแค่2องกองนะคะเพราะว่าลงสีจริงๆลงสีจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นคนรับเงินเองเลยอะค่ะโอเคครับก็ประเด็นว่าการเงินนี่บอบอรับไปแล้วกันเพราะผมฟังว่า <c oughs> คณะนี้มีทั้งมีการสัมพันธ์กันระหว่างร้านค้าบุญนิยมกับกับกับกองบุญใช่ไหมครับอันนี้ซื้อขายกันโอนโอนข้าวได้เงินกันเงินเท่านี้ก็โอนมานี้ใช่ไหมครับ แล้วเงินตรงที่ร้านค้านี้ที่เกาะ น, นี้ที่ร้านค้านี้ที่ไหนครับที่อุบลในสามล้านนี่ยังมีแบ่งวงเงินอีกแล้วก็มีมเงินเข้าชุมชนอีกใช่ไหมครับอันเนี้ยแล้วชุมชนกับลงสีอันเดียวกันหรือเปล่าครับคนละอนกันอ๋ออันนี้ก็ต้องใช่ครับคือมันต้องมีบัญชีแยกเพราะนี่เป็นกองชุมชนราัธเานียส่งใช่ไหมครับเป็นกองทุนรวมก็ควรจะมีกองทุนย่อยหรือเปล่าครับมีมีไหมฮะ มีบัญชีย่อยแต่เงินนี้รวมได้แต่บัญชีแยกไหมครับเงินนี่มันเงินได้หลวงก็ในหลวงเดียวกันครับบัญชีแยกจะว่านี่ลงสีนี่ร้านค้านี่ทุกฐานงานอ้าว ข, <ฮ>ขอขอกัดถูกแล้วใช่มั้งคำคถามใหม่อีกชัดๆนะคะคฟังใหม่ชัดๆนะคำถามคืออย่างนี้ค่ะว่าเรารับรู้โดยขบวนการโดยโดยโครงสร้างนะคะลงสีไม่เกี่ยวกับการซื้อการขาย แต่โดยทางปฏิบัติพ่อแรงเพชรนี่ได้ถือเงินไปจ่ายค่าข้าวไหมพ่อแรงเพชรเป็นคนจ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงสีไหมพ่อแรงเพชรได้จ่ายค่าน้ามันรถในการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาและวิ่งไปนะคะแล้วอาจจะต้องมีจ้างแรงงานโน่นโน่นนี่นขึ้นมาเนี่ใครจ่ายพ่อแรงเพชรจ่ายหรือว่าข่ายการเงินของบรราสมาจ่ายนี่คําถามหนึ่งนะคะนี่คือเรื่องของเงินในฐานงานที่อยากจะรู้และสอขายของในโรงสีได้ไหมมีการขายโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการเหล่านี้มีหรือไม่ มีคนรู้บ้างไหม เ, เนี่ยขายได้ไหมคะมีบ้างก็แปลว่าระบบบัญชีตรงนี้ก็คือต้องบันทึกไม่ใช่ว่าทั้งหมดส่งไปที่กรรมการชุมชนทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะใช่ถ้ามันยังไม่มีก็คือต้องตั้งขึ้นมาแต่ถ้ามันมีแล้วก็เอามาดูกันคือเราที่ถามทั้งหมดคือเราอยากจะรู้ว่าวิธีการทํางานและขั้นตอนการทํางานที่ผ่านมาดําเนินการอย่างไรถ้ามันทําดีแล้วเราก็จะช่วยกันทําต่อถ้ามันทําแล้วขาดตกบกพร่องก็ช่วยกันเติมเต็มเพราะมีผู้เชี่ยวชาญบัญชีมาโดยตรงนะคะ อย่างนี้เป็นต้นเราเราตอนนี้เรามีบุคลากรหลายคนหลายฝ่ายและแต่ละคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพตัวจริงเข้ามาในพื้นที่แล้วขณะ น, นี้เรากําลังจะบอกว่าวนบณวันนี้จะต้องมาทําหน้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพของทั้งบุคลากรและคุณภาพของการดําเนินงานของอโศกในรอบนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นคําถามเพื่อที่เป็นการเริ่มต้นในการบอกว่าเราจะเริ่มต้นการดําเนินงานเพื่อให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพได้อย่างไร นะคะถามทั้งหมดนี่ไม่ใช่ถามเพื่อเอาเรื่องนะคะถามเพื่อหาข้อมูลความชัดเจนเพื่อจะเริ่มต้นนับหนึ่งในการทํางานให้มีคุณภาพสูงขึ้นจาก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนี่คือภารกิจค่ะขอบคุณค่ะตอบนะคะไม่รู้จะตอบตรงหรือเปล่านะคะก็คือว่าอันหอันดับหนึ่งคือการซื้อข่าวค่ายขายข้าวเนี่ยเป็นการซื้อโดยชุมชนไอ้การเงินของชุมชนเป็นคนจ่ายเป็นเป็นคนจ่ายค่าข้าว ขายหรือว่าจ่ายให้กับพ่อแรงเพชรจ่ายให้ชาวนานเลยค่ะจ่ายให้ชาวนานเลยอันนี้คือแต่ละฤ ด, ดูกาลก็คือการเงินเป็นคนจ่ายเลยสก็คือค่าใช้จ่ายในโรงสีนี่ก็คือพ่อแรงเพชรจะไปสำรองจ่ายที่การเงินสมมุติออกมาเป็นเงิน 5,000 บาทแล้วก็จะมีบินมาเคลียรที่การเงินบินก็จะเข้าไปที่การเงินการเงินก็จะเอาบินไปที่บัญชีแยกอีกทีหนึ่งว่านี่คือโรงสีค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ฟังเบื้องต้นว่าการเงินบัญชีของชุมชนบ้านลาดเนี่ยมีขอบขายงานที่กว้างมากเกี่ยวข้องทุกฐานงานถือว่าเป็นงานที่ใช่ถือว่าเป็นงานที่หนักมากแล้วบุคลากรมีกี่คนตอนนี้ทาจริงๆเหลือคนเดียวบัญชีก็ยังเริ่มต้นใหม่ด้วยที่ว่าพี่บอกว่ า, าร่มเย็นเนี่ยทามาตลอดนี้แกก็หนักมากจนแกลาออกนะคะตอนนี้แล้วดิฉันก็ออกไปแล้ว แล้วเด็กคุณป๋องทํางานซึ่งหนักมากๆงานเยอะแล้วฟังแล้วบุคลากรเนี่ยบีอาการทั้งการเงินทั้งบัญชีเลยโอ้โหสาธุกลไกหลังขององค์พระพยอมเขาเรียกว่าซูเปอร์วีแมนเลยครับสงสัยต้องให้แหนบทองคำแล้วมั้งเนี่ยทาอาหารด้วยโอ้โหทำอาหารด้วยขายของด้วยเก็บเงินด้วยเพราะว่านี่เอาเอาทุกบัญชีไปไว้ด้วยกันแล้วการเงินรวมกันหมด อันนี้เข้าสู่จุดวิกฤตของชุมชนแล้วอย่างนี้ขณะนี้ที่โทษนะพี่ชื่ออะไรครับปานรุ้งค่ะปานรระหว่างบัญชีที่ทั้งเกินทั้งบัญชีเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหลายบัญชีแล้วก็รับผิดชอบคนเดียวเนี่ยตรงนี้กรรมการชุมชนในอดีตรู้เรื่องไหมครับทราบค่ะทราบตลอดทราบตลอดทุกเดือนไหมทุกเดือนต้องรายงานที่ที่เพราะท่านค่ะแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันโยมาที่นี่ มันโยมาที่นี่ได้ใช่ไหมครับได้ไหมใช่ค่ะทุกเดือนนะทุกเดือนเลยนะทุกเดือนมีมีว่าบอกว่าบัญชีนี้เท่าไหร่บัญชีบัญชีลงสีเท่าไหร่บัญชีเท่าไหร่แล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่ค่ะสรุปทุกเดือนค่ะสรุปทุกเดือนค่ะอันนี้มีนะมีหลักฐานเอกสารทุกเดือนค่ะอ่าแต่นี้ถ้าเราย้ายประเดนที่2ผมนักไล่ปัญหาถ้าอกรรมการชุมชนรู้เรื่องหมดแต่ว่าไอ้กรรมการนี้ตั้งมาทําไมอย่างนั้นไอ้นี่เป็นฝ่ายบริหารตัดสินใจแต่กูไม่รู้เรื่องเงิน เพรเรื่องเองินอยู่กรรมการชุมชนแต่เราบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นกรรมการลงสีเนี่ยในอนาคตจะเป็นตายายไหมอ่าคำถามผมไม่รู้ถามนํานแล้วตั้งทําไมเนี่ยตั้งตั้งเพื่อเพราะกรรมการชุมชนจะดูแลไอรีทั้งหมดเลยแล้วนี่ยังมีที่กรุงเทพอีกนะมีร้านคา้าที่อุบลอีกแล้วก็คื อ, อเอาไงครับคื อ, คอเคย<ผ> ม, มีเพราะเพราะท่านนะคะคือเพราะท่านพูดถึงอ่าบ้านราชเราเนี่ย จะต้องเป็นสาธารณภคีที่ชัดเจนเมื่อก่อนอย่างอุทยาสากลนี่ก็จะมีบัญชีการเงินเป็นของตัวเองฝากธนาคารเองอะไรเงี้ยพอหลังมาเรามารวมเป็นของเราทั้งหมดมันก็เลยจะนี่คือสาธารณภคีระบบใหญ่ใช่คมันก็เลยใหญ่ถามผมคือตรงเนี้ยคือโลงสีใช่ถุงนี้นะคือบัญชีลงสีเมื่อลงสีวันเนี้ยถ้าแนวโน้มจะต้องมีข้าราชารชุดเล็กๆสักชุดหนึ่งมาดูแลเรื่องของลงสีโดยเฉพาะถามว่าตรงนี้มันควรจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ไหมเฉพาะถุงเงินถุงเนี้ยถุงลงสี บัญชี CSV และการเงินอ่ะอันนี้หรือบอกว่าเอาไปแกงโฮเอาไป Hoy, ไปตุ้มโฮกันที่นี่หมดเลยเหมือนเดิมอีกและไอ้พวกนี้ทําอะไรชุดนี้ตั้งมาทำไมในในความรู้สึกของนี่เนนะคะคือถ้าในกรณีที่มันใหญ่มากเกินไปเนี่ยคนที่รับก็จะรับมากเกินถ้ามันแยกส่วนได้อย mm ่างที่ที่เดิมทำเนี่ยแล้วแล้วเอาไปสู่ส่วนกลางเนี่ยเอาเอายอดไปสู่ส่วนกลางไในฉันว่าตรงกลางเนี่ยมันจะง่ายต่อการบริหารมากกว่าแล้วไม่หนักเกินไปจนกระทั่งที่อารมณ์เย็นเนี่ย ทำไม่ไหวเพราะว่ามันไปกองอยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะคะเพราะถ้าถ้าแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วนเนี่ยเช่นลงปุ๋ยไปบริหารจัดการนะคะคือบริหารจัดการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีมันมีการเงินมีบัญชีควบคุมแต่จะต้องส่งส่งรายงานให้กับส่วนกลาง ร, รับรู้ทุกเดือนแต่เป็นลักษณะ น, นั้นที่ฉันว่ามันจะเบามากกว่าเท่ากับบัญชีแยกบัญชีย่อยควรจะรับผิดชอบได้แล้วแต่เพะที่มี กิจการใหญ่ๆลงสีลงปุ๋ยนะครับควรจะพิรับไปชอบบัญชีของตัวเองแต่เงินเนี่ยไปใส่รวมกันที่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะจะไม่ไม่ไม่ไม่ไปรวมกันตรงนี้ครับผิดชอบคนเดียวเหนื่อยมากหนักมากก็เสนอว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมายังไม่เป็นใช่ไหมครับที่ผ่านมาตุ่มโฮมหมดไม่มันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีของของอะไรนะของสากรลเขาก็ทําเองของอุทยานก็ทําเองใช่ไหมคะ ของปรุงปุ๋ยก็ทําเองค่ะแล้วก็จะจะต้องมีส่งทุกทุกเดือนลักษณะนั้นแต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยคือต้องการให้ไปอยู่ส่วนกลางทั้งหมดพออยู่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแบกแบกแบกโดยคนคนเดียวนะครับซึ่งมันก็จะหนักมากเอาไลไลขั้นที่4ใครใค ร, ใครมีคําถามอีกครับเดี๋ยวไปขั้นที่ห้าขั้นที่4ให้หมดเรื่องการเงินการบัญชีการเงินนี่ขาถามนิดนึงว่าอย่างอย่างร้านค้าอย่างนี้ค่ะคนรับเงินกับคนทําบัญชีเนี่ย คนเดียวกันเนี่ย <laughs> มันจะมีปัญหาทางโลกนะครับทางโลกสาธุ<อ>นี่แสดงว่าขอไปที่ชอบที่ชอบถอ <laughs> เถอะ ก, ก็คือว่าแบบว่าไม่ถึงว่ารับเงินจากร้านค้ามาแล้วก็มา ล, ลงบัญชีแล้วทีนี้ก็ส่งทางส่วนกลางผมเรีนบัญชีนะครับถ้าเงินส่วนรลมมาใส่กระเป๋าซ้ายเงินภรรยาใส่กระเป๋าขวามันมั่วครับพอเพื่อนบอกเฮ้ยเนกไปเที่ยวไปผมไม่รู้แล้วว่าขวาขวาหรือซ้ายแล้วเพราะว่ามันคนคนเดียวกันอันนี้กระเป๋านี้ส่วนโวมกระเป๋านี้ส่วนตั ว, ว, ตวแต่ เผยควักผิดอันนี้ก็เป็นจุดต่ำเลยกระเป๋าซ้ายไม่พอก็ขอยืมกระเป๋าขวาดนน้วยแต่ไม่มีใครรู้ผมรู้คนเดียวเพรกระเป๋าขวา น, น, นี่ไปเสร็จกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาปนกันมั่วเลยแล้วเงินส่วนตัวเงินส่วนรวมเห็นไหมครับถ้าอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่เป็นผมถึงไม่จัดเงินของส่วนรวมโดยเด็ดขาดเป็นสีหนุ่มผมเลยครับผมบริหารเงินมาเจ็0พันกว่าล้านทั้งชีวิตผมนะผมไม่เคยแตะเงินสักบาทตั้งแต่ เรียนเรียนเป็นนักศึษาเพราะผมรู้ว่าถ้าผมดูแลเงินผมดูแลบัญชีผมจะไม่ยุง่งเพราะผมเป็นผู้บริหารด้วยก็จะไม่ยุ่งเรื่องเงินเลยเพราะยุ่งกังเกินนี่มีอย่างตามมาครับเขาคลัหาเพราะนันให้คนอื่นบอกว่าเงินอยู่เท่าไหร่เท่ากันไปว่ากันเองเพราะเพอเพราะผมบริหารผมจะได้ลงไปเล่นได้เพราะนั้นจะผู้บริหารที่ฉลาดนะครับอย่าไปเล่นเรื่องเงินเหมือนไมตเตฟุตบอลจะได้เป็นกรรมการใครเตะขาเราถ้าผู้บริหารถือเงินเองจับเงินเองสาธุตายทั้งเพล์ <Okay. S 2> อันนี้นี่คือจุดบอดของของอาศกเราตรงนี้ค่ะซึ่งดิฉันก็ยอมรับว่าที่บ้านลาดก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้ น, น, น, นเนี่ยค่ะวนบอเนี่ยค่ะจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะว่าว่าจะทำอย่างไรให้มันให้มันสมบูรณ์เพราะมีงั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบเดิมะ ค, ะ <Okay. S 1> ค่ะโอเคเอาได้ประเด็นเรื่อง ก, การเงินบัญชีนะว่าหนึ่งคือให้มีการแยกบัญชีอย่างน้อยจากอาโลมเย็นเป็นของใหญ่ๆร้านค้าลงปุ๋ลงสี ให้หาคนรับผิดชอบแล้วเอาระบบบัญชีที่มีอยู่แล้วแค่มันง่ายครับสมัยนี้มันออนไลน์หมดแล้วไม่ต้องคิดเครื่องคิดเลขแทบไม่ต้องทำเพราะเครื่องมันทําได้เพียงแต่ออนไลน์กันถ้าจะใช้โปรแกรมถ้าหรือบัญชีนะครับบัญชีแยกกับบัญชีบัญชีย่อยกับบัญชีรวมแต่ให้เงินรวมเหมือนระบบเดิมสารโปรคีเพื่อเพื่อคุมเงินสดง่ายเพราะเงินสดต้องคุมรวมแต่บัญชีให้รับผิดชอบแยกการตัดสินใจเรื่องการใช้เงินแยกแยกไหมครับผมยังไม่ได้ถามต้องถามมีเอกี้ให้แยกบัญชีนะ เพราะว่าบัญชีที่ผ่านมาบัญชีรวมทั้งย่อยทั้งทั้งรวมใช่ไหมครับแล้วรวมอยู่ที่คนคนเดียวมันให้แยกบัญชีในเรื่องสามเรื่องลงสีลงปุ๋ยกับสากรนะครับนี่แยกบัญชีนะแต่นี้แยกคนไหมครับเออไปใช่แยกเงินไหมครับหรือเงินจะรวมอยู่หมดเงินนี้คือการตัดสินใจนะครับเออเงินนี่รวมได้เพราะธนาคารเนี่ยเขาจะส่งยอดให้ผู้บริหาร ใช่ไหเราก็แจ้งอยอดตัวเลขไปตนนแต่ว่าราชเนียโศกมีมีแยกสองสองที่มันมีแยกที่เดียวนั่นเองก็คือว่าการเงินส่วนกลางใหญ่แล้วก็มีลงปุ๋ยเท่านั้นที่แยกนอกนั้นคือรวมคือคือลงปุ๋ยเขาจะแยกต่างหากแค่แค่ลงปุ๋ยอย่างเดียวแล้วนอกนั้นก็คือรวมทั้งหมดค่ะตอนนี้นะคะหมายถึงว่าการเงินการเงินของของลงปุ๋ยแยกค่ะอ น, น, นอกจากนั้นทุกฐานงานก็ไปอยู่ที่ชุมชนหมดแยกเฉพาะลงปุย๋ยลงปุ๋ยที่เดียวค่ะ การเงินตรงนี้ไม่ใช่ตัวเม็ดเงินตัวแบงก์บาทแบงร้อยนะครับแต่คือการตัดสินใจถามว่าแยกไหมครับแยกไหมครับแยกระหว่างกรรมการชุมชนกับกรรมการลงศีขณะนี้กรรมการชุมชนถ้าทด่ฟังออมีข้อเสนอให้เป็นกรรมการลงศีทีนี้คำถามผมว่าการเงินยังเป็นแบบนี้ไหมคือว่าอันนี้เป็นเรื่องการกา ร, รวมเงินกับ ร, รวมบัญชีแต่ว่าการตัดสินใจรวมไหมครับอยู่ที่อยู่ที่กรรมการชุดนี้หรือชุดนี้ครับ ถ้าเรื่องการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับเกินเงินทองทองเนี่ยนะครับถ้ามีมีไหมครับผมไม่ไม่ทราบแต่ตอนนี้เรามีกรรมการ2ชุด <S <S 1> <S 1> <he S 2> เห็นประเด็นไหมครับประเด็นเดิมคือใช้กรรมการชุมชนทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วแนวโน้มจะเสนอให้มีกรรมการชุด เ, เล็กๆที่รับผิดชอบ5้าคนเดิมจะทําได้ดีหรือไม่หรือจะเป็นคนใหม่จะมาจากาข้อเสนอของอะไรก็แต่แต่คําถามคือว่าเมื่อบัญชีแยกเลยการตัดสินใจการเงินก็แยกไหมหรือจะอยู่ที่ บบบรริหาแบบาครับควรจะต้องแยกแล้วครับเพราะว่างานมันเยอะมากฐานงานแต่ละฐานเนี่มันใหญ่ๆทั้งนั้นนะลงสีเนี่ยงบประมาณปีปีนึงเนี่หลายตังนะคะน่าจะเป็นร้อยล้านละมั้งหลายสิบล้านลงสีก็หลายสิบล้านเงี้ยแล้วฐานงานอุทยานบุญนิยมยอดขายก็ไม่ใช่น้อยๆอยอ่ะอันนี้ที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับเหตุผลเหตุผลขอเหตุผลครับก็คือว่ามันเงินเริ่มเยอะขึ้นแต่ละ3ามลงไม่ใช่เพราะที่การแยกบัญชีเพราะตัวเลขเพราะเงินมันเยอะใช่ไหมครับ เงินมันเข้ามันออกเยอะแล้วแล้วโอ้เออแล้วก็แต่เงินเงินใช่ ใ, ชใชเงินรวมบัญชีรวมอยู่แล้วคือคือตัวเงินนี่รวมแน่แต่กฎทางการตัดสินใจและการแยกแยกย่อยในการดูรับจ่ายเนี่ยต้องดูที่ฐานย่อยใช่ใช่แล้วก็รับรู้ร่วมกันคือการเงินใหญ่การเงินย่อยต้องต้องรับรู้แล้วก็มีข้อมูลร่วมกัน ถูกต้องแต่ว่ารายงานทั้งเม็ดเงินกับบัญชีมันต้องมารวมมาที่ที่ไหนครับที่กองทุนนี้ใช่คชไหมแต่ว่าให้แยกย่อยเหมือนสาขาบัญชีธนาคารสาขาใช่ไหมครับเซเว่นอีเลเวนก็มีสาขาเขาก็ต้องดูแลเงินว่าต้องสินค้าไปเท่าไหร่เงินต้องมาเท่านั้นใช่ไหมครับต้องมีใบเสร็จยืนยันเหมือนอันนี้คือการแยกสรุปว่าแยกไหมครับแยกนะแยกใครไม่เห็นด้วยครับแยกเหมือนต อ, อ่า เราเราพบว่าหนึ่งคือการการเงินและบัญชีเนี่ยมันใช้เป็นการเงินและบัญชีของของสาระโภคีของราชธานีคซึ่งในอดีตมันไม่ใหญ่วันนี้มันใหญ่ขึ้นมาแล้ว3มเรื่องคือสากลลงสีลงปุ๋ยเมื่อมันใหญ่นี่มันต้องการคนเพิ่มดูแลเฉพาะของมันบัญชีย่อยแยกบัญชีแยกการเงินแยกการตัดสินใจออกมาให้เฉพาะตั้ง3าประเด็นนี้คือจากกรลงสีลงปุ๋ยใช่ไหมครับ ใช่ใค่ะ อ, อันนี้อันที่สคือเมื่อ<ะ>กี้เมื่อกี้คุณปานลุงเนี่ยฝ่ายการเงินเขาเสนอว่าไอค้คำว่าไอ้จริงๆไอ้ไม่ต้องแยกแต่ว่าเอาคนมาช่วยมันคือความหมายเดียวกันคือจะเรียกว่าเอาคนมาช่วยหรือจะแยกก็เหมือนกันเพราะการแยกหรือช่วยก็คือไปช่วยลงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละฐานงานแล้วตัวเลขทั้งหมดต้องรู้ร่วมกันในฝ่ายการเงินทั้งระบบมันแปลว่าอย่างนี้นะคะจะเรียกอะไรก็ได้เรียกการเงินย่อยของสามเล่มครับเป็นคือเป็นผู้ช่วยคนใหญ่เอาว่างั้นเถอะผู้ช่วยก็ย่อยผู้ช่วย เขาเรียกการเงินใหญ่สมุบบัญชีเนี่ยอยู่ที่นี่ครับภาษาทั้งโลกเลียสมุบบัญชีค่ะก่อนที่จะผ่านการเงินฝ่ายการเงินไปดิฉันขออนุ ญ, ญาตาพูดถึงเรื่องการเงินบัตรลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิดหนึ่งนะคะว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นคนบุกเบิกบัตรลาศนะคะงบเริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยไม่มีบเงินงบประมาณมานะคะดิฉันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดนะคะและถ้าใครคิดว่ามีส่วนร่วมจ่ายก็สามารถแจ้งเข้ามาสแสดงตัวได้นั่นเรื่องที่หนึ่ง แล้วเรื่องที่2ก็คือทันทีที่มีงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาในยุคนั้นก็มีก้อนเดียวแหละที่เป็นก่อเป็นกรรมคือ23ล้านดิฉันทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน13บสามล้านห้าล้านห้าแสนบาทนะคะดิฉันทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้นนะคะแล้วดิฉันก็เป็นคนตั้งเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบ้นรรดาตั้งแต่ยุคนั้นนะคะว่าในการบริหารจัดการเรื่องการเงินเนี่ยเราแบ่งเป็น7จ็ดฝ่าย คนที่1นึคือผู้ใหญ่บ้านคนที่2ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะคนที่สก็คือฝ่ายการเงินคนที่4คือฝ่ายบัญชีคนที่หก็คือหัวหน้าฐานงานคนที่6ก็คือผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิวชาชีพฐานงานนั้นๆคนที่7ก็คือสมณนะเรามี7ฝ่ายการตัดสินใจการเบริกจ่ายเงินขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคน7ฝ่ายนี้แล้วดิฉันในฐานะผู้ใหญ่บ้านไม่เคยเซ็นเช็คเบิกจ่ายเงินเลย การเงินในวันนั้นเนี่ยดิฉันเกี่ยวข้องกับคนฝ่ายการเงินบัณฑาราัตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจนถึงวันที่ดิฉันอยู่มีแค่3คนคนที่หนึ่งก็คือคุณจิ๋วน้องดินที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะสามารถตรวจสอบได้ยังมีชีวิตอยู่นะคะคนที่2ก็คือคุณดาวพรก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะคนที่สมก็คือคุณน้อยร้อยแจ้งนะคะมี3ามคนเท่านั้นคือฝ่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัรฑารัตในขณะที่ดิฉันยังทําการอยู่ ทั้นข้อขระหาทุกชนิดที่พูดถึงการเงินถ้าใครรู้มากกว่าคน3คนนี้ช่วยกรุณาแสดงตัวพอดีฉันแบกหม้อดำเนี่ยมานานหลายปีแล้วข้อหาทุจริตการเงินบ้นลานนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันทำเช่นเดียวกับอาจารย์อนเนกแต่ไม่ได้มีงบประมาณเท่าอาจารย์อนเนกถึง 7,000 ล้านหรอกคะ่ะมีงบประมาณแค่23ล้านนะคะแล้วนี่คือข้อหาที่เป็นมาตลอดชีวิต ที่อยากจะให้ทางชุมชนบ้านลาด ช, ช่วยตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยว่าใครที่รู้ดีกว่าฝ่ายการเงินบ้านลาดและคนที่สีที่รู้คือพ่อครูนะคะช่วยกรุณาบอกและที่เหลือเนี่ยถ้าไม่รู้ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ายังสงสัยก็ช่วยตรวจสอบด้วยเพราะทุกคนยังมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้นนะคะแล้วผู้ทำบัญชีในยุคที่มีงบ ป, ประมาณเข้ามาก็คือคุณกุ๋ยเรวดีเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีจากกรมตรวจสอบบัญชี เป็นข้าราชการนะคะและเป็นจติธรรมเราขอตัวให้มาช่วยงานทําบัญชีโดยเฉพาะวางรากฐานระบบบัญชีให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินมาบาทแรกเพราะฉะนั้นรายละเอียดของบรรดาจะมีละเอียดที่ยิบมากไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่สามารถทําระบบบัญชีได้สมบูรณ์แบบเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเงินก้อนนั้นมีเท่าไหร่และตัดไปซื้อขายอะไรบ้างเอกสารมีครบทุกระบบผลผลิตที่เกิดขึ้นในชุมชนมีตัวเลขเราต้องมา เราต้องมาทำความเข้าใจกับคนในชุมชนบ้านลาดว่างบประมาณที่จ่ายลงไปแม้กระทั่งส่วนตัวจากพ่อครูเองในการซื้อท่อ PVC ทำเกษตรลงทุนไปเท่าไหร่ผลผลิตได้อะไรบ้างก่อนที่จะเก็บขอช่างน้ำหนักก่อนได้ไหมทุกคนร้องวยวายว่าฉันไม่โกงฉันมาทำบุญ เราบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณโกงหรือคุณทําบุญแต่ขอช่วยบอกหน่อยว่าคุณมีผลผลิดเท่าไหร่ชักน้ําหนักให้หน่อยคุณเอาไปตรงไหนแล้วเราจะได้บันทึกเราลงทุนทําแทบเป็นแทบตายตั้งแต่เช้าจนเย็นบังคับคคืนแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเพื่อสร้างระบบบัญชีเอาไว้คุณกุยเรวดีมาอยู่ที่นี่หปีไม่เคยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเงินเดือนไม่เคยขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามาทํานอกงานของตัวเองคุณกุยยอมที่จะสูญเสียโอกาสทางราชการ ไม่มีความดีความชอบณวันนี้เขาเรียกว่าขั้นของเงินเดือนต่ํากว่เพื่อนรุ่นเดียวกันทุกคนเขาพ ร, พรีตัวเองในการที่ทํางานนี้โดยไม่เขียงงอนแล้วหลังจากที่เขาย้ายออกจากบันราศเมื่อวันที่ดิฉันไม่อยู่แล้วเพื่อกลับไปดูแลบิดามารดาที่ป่วยที่จังหวัดพังงาคุณกุยลงทุนเดินทางจากพังงามาที่บันราศทุกเดือนต่อเนื่องอีกสามปีเพื่อจะทําบัญชีให้ต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักฐานในการเก็บข้อมูลว่า าราชาธานยาียโสเกิดขึ้นและเติบโ ต, ตมาอย่างไรเห็นขั้นตอนพัฒนาการในรายละเอียดทุกขั้นตอนว่ามีค่าใช้ใจ่ายในจุดไหนบ้างมีรายไดย้มีรายจ่ายมีรายรับมาจากจุดไหนบ้างสามารถรวมศูนย์ข้อมูลได้ทุกจุดพ่อครูสามารถเห็นรายละเอียดตัวเลขทุกขั้นตอนมีเงินที่ไหนอย่างไรมีบุคลากรในชุมชน กี่มากน้อยค่าใช้จ่ายต่อวันเท่าไร่หารเฉลี่ยว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไรรายรับต่อหัวเท่าไร่เราทำไปจนถึงขั้นนั้นจนถึงขนนั้นรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ10 บ, บาทต่อวันต่อคนนะคะเราลงเราลงรายละเอียดมากจนถึงขนาดนี้เราก็นึกว่าเราเท่มากนะั้นเราลงสุ่อสาหามากเลยไปถวายพ่อครูว่าดูสิคะเรามีไรายได้กันแค่นี้เองนะคะเราจะอยู่ได้หรอคะพรอครูก็ยิ้มเฉย เออแล้วก็บอกว่าดีเราก็งงมากเลยนะพูดจริ ง, รงๆรายได้ต่อหัวต่อคนอ่ะสิบาทพวกคุณเข้าใจได้ไหมคะดิฉันเข้าใจไม่ได้นะวันนั้นนี่ดิฉันก็ค่อยๆเรียนรู้มาว่าสําหรับชุมชนเนี่ยมันอยู่ได้ขนาดนี้ก็เก่งตายแล้วเพราะปกติเงินเหล่านี้ค่าใช้จ่ายนี่เป็นเงินที่รัฐบาลต้องซัพพอร์ตเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้ไม่ว่าจะทรัพยากรธรรมชาติหรือไอ้ค่าภรราษีอะไรตอนซึ่งเราไม่รู้จักแต่เรามองในแง่ว่าชุมชนคือระบบธุรกิจเนอะไหมครับมีคนเท่าไหร่เรามีรายรับเท่าไหร่เรามีจะรายจ่ายเท่าไหร่กว่าจะ เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาก็ใช้เวลาดิฉันแนตะ่เรียนจบปริญญาตรีสองสาขานะคะสาขานิติศาสตร์อันนี้จบจุฬาเนี่ย เ, เป็นความรู้เรื่องกฎหมาย น, นี่ไม่พูดกันแต่ที่จบอีกอันหนึ่งคือคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการบัญชีจากรามคําแหงและปริญญาโทนี่จบ m e a นะคะมาทดลองวิชาที่นี่แห่งแรกไม่เคยไปทํางานที่ไหนไม่เคยไปเป็นลูกจ้างใครมาทดลองดอูด้วยความมันมากเลยอยากรูก้อยากเห็นทํำกันแทบล้มประดาตายทั้งวันทั้งคืนได้คําตอบมาแล้วก็ พ่อครูยิ้มอย่างเดียวเราบอกให้มันยิ้มแบบไหนมันจะอยู่รอดได้ยังไง น, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนั้นกว่าจะถึงวันนี้เราถึงได้รู้ว่าอะไรคืออะไรก็ค่อยๆพัฒนาความรู้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องกําไรขาดทุนไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ประเด็นเพราะนี่คือเวทีที่พ่อครูให้โอกาสในการเรียนรู้สําหรับคนที่มาอยู่ที่บอกว่าตั้งใจมาปฏิบัติธรรมลดละ ก, กิเลสตัวเองความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเท่าไหร่ไม่ถือเป็นสาระสําคัญ แต่ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยเหตุผลว่าคุณมาปฏิบัติธรรมนะคะเพราะฉันสิ่งที่ดีฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตและฝากทุกคนเอาไว้ก็คือว่าในการที่เราเข้ามาทำงานที่นี่ประสบการณ์ในทางโลกอาจจะไม่มีการศึกษาก็อาจจะไม่เพียงพอแต่มารับตำแหน่งหน้าที่ที่ค่อนข้างจะสำคัญอย่างเช่นฝ่ายสื่อก็ได้ถือกล้องราคาแพงทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายหรือ ไม่เคยทาด้านการเงินมากกอนก็ทําหน้าที่ถือเงินถือทองในในวงเงินจํานวนสูงนะคะส่วนตัวชีวิตเองไม่เคยถืออย่างเงี้ยก็ได้รับเกียรติและไม่ว่าจะผิดพลาดลงไปอย่างไรไม่ถือเป็นประเด็นในการปฏิบัติธรรมแต่สิ่งที่มีก็คือสํานึกความรับผิดชอบว่านี่คือโอกาสที่ได้รับจากการมาปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ศึกษาพ้นความเข้าใจของคนที่เข้ามาเนี่ยดิฉันเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะว่าสิ่งที่ต้องคํานึงเนี่ยก็คือว่า ถ้าแม้นเรามองในแง่ของตัวเงินที่จะได้ผลประโยชน์จากการเป็นลูกจ้างธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะเดือนหนึ่งเดือนละ3ามพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองห้าหมื่นหรือหนึ่ง0สนก็ตามแต่อันนั้นคือเงินค่าจ้างตามความสามารถจริงในสังค ม, มแต่กับการที่มาทําที่นี่ถึงแม้จะไม่ได้เงินอย่างที่ว่ามาเลยแต่การที่เราความรู้เท่าไม่ถึงการกับตําแหน่งหน้าที่ที่เรามีอยู่และทําความเสียหายขึ้นไปมากมายจริ ง, รงๆแล้วอาจจะมากกว่ามากได้ซ้ําแต่นี่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราเคยมาถกเถียงกันมาก่อนเลยนะคะ สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือการมาทำงานฟรีที่เราบอกว่าเราทำงานฟรีแล้วมาช่วยนี่แหละจริงๆก็คือการมาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของสัมมาชีวะมาฝึกปฏิบัติในการที่จะลดละกิเลสตัวเองในการที่จะยึดนะในการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรอย่างที่ที่เราเป็นกันอยู่นี่แหละค่ะว่านี่คือการนี่คือการเรียนนะคะทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกว่า วันนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่ย่างใหม่ก้าวเข้าสู่9้าย่างใหม่ของอโศกในวันที่พ่อครูขยายยุคไขยยเรากําลังพูดถึงการขยายยุคไขของพ่อครูว่ายุคสมัยชีวิตของพ่อครู<ข>อตอนนี้มันเปลี่ยนไปสามสิบก็คือจะสรุปทั้งหมดว่า น, นี่คือเหตุการณ์เกิดของวนอบอในการที่จะเข้ามาช่วยกันยกระดับความรู้ยกระดับภูมิธรรมเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในรอบต่อไปของอโศกเพราะฉะนั้นการทํางาน ท, ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกําลังจะบอกให้รู้ว่าวันนี้เรามาเพื่อจะทํา แก้ปัญหาเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่เป็นการ ไปสร้างปัญหาให้กับใครนี่คือสิ่งที่อยากจะทําความเข้าใจเบื้องต้นและ2ก็แค่ดีคลร์ตัวเองต่อหน้าชาวบ้านราชนขณะนี้ในขณะที่ดีแท่นเดชได้ข้อหาเรื่องนี้มาจนฟังแล้วยังงงจนถึงวันนี้มันเกิดได้อย่างไรก็เลยบอกให้ว่ามีผู้คนเกี่ยวข้องกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่ใน34คนที่ว่ามาขอให้แสดงตัวให้รับทราบจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกันเพราะคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังมีชีวิตยอยู่ทั้งสิ้นนะคะขอบคุณค่ะ ก็ผมช่วยสรุปนี่เนี้ยมีสามประเด็นใหญ่นะครับคือนหนึ่งเนี้ยเป็นทั้งภารกิจร่วมของชุมชนแล้วชาวว ร, ร์บอร์ที่โดยเฉราะเรือร่องวร์บอร์ที่ต้องจัดระบบช่วยลงเสีของเราให้เป็นก้าวขั้นหนึ่งเพื่อจะแบกรับภารกิจที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องจัดระบบและจัระบบเนี้ยที่สําคัญคืออันที่สองคือที่หนึ่งฟ้ายกตัวอย่างว่าคณะกรรมการที่เพิ่งลงสันธานุมัติว่าจะเป็น กรรมการแยกออกมาจากชุมชนเป็นลงสีเนี่ยควรจะมียกตัวอย่างว่ามีหลายๆฝ่ายให้เกิดความหลากหลายที่สําคัญซึ่งหนึ่งฟ้าพูดมามีสมณะมีผู้ใหญ่บ้านผู้โยชานกันคนที่6กใครครับมีบัญชีมืออาชีพโชคดีที่ได้นักบัญชีมืออาชีพมา ก, ก็เขาเอาว่าเป็นสัดส่วนที่เพื่อให้มาเป็นกรรมการนะครับใครนะครับฐานงานหัวหน้าฐานงานหัวหน้าฐานงานนี่สาคัญมากคือคนที่ก็คือคนที่รู้เรื่องนั้นแล้วคนที่7จ็ใครครับหนึ่งฟ้าใคร ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่บัญชีอยู่นี่บัญชีการเงินมีแล้วหัวหน้าฐานงานสมณะมีแล้วอ๋อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ๋อก็เอาว่านี่เป็นตัวอย่างว่าคือล้วนมีแต่ละส่วนมีความสําคัญไหมครับมันไม่ใช่เลือกตัวบุคคลจะเลือกอะไรนะความเที่ยวชาญด้วยแล้วนั้นเราอาจจะเลือกอันที่สามคือความเอางานโอการตาม บุญนิยมคือกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างว่าคณะกรรมการที่จะได้มานี่เป็นเรื่องหนึ่งที่วรบวรต้องช่วยกันสรรหาถ้าช่วยพ่อเพชรเรานะครับแล้วระบบการเงินถ้าตกลงว่าแยกบัญชีแยกเรื่องคนเป็นไงครับมีมีอยู่4ีเรื่องที่วรบวรต้องรับไปคนที่จะสืบทอดจากพ่อเพชรคนที่จะเป็นช่างเครื่องคนที่ไปทําบัญชีการเงินใช่ไหมครับจัดระบบนี้ผมขอเป็นผู้ช่วย แต่ว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องหานักบัญชีที่เก่ง ๆ, ๆเข้ามาช่วยวางระบบนะครับก็ประเด็นที่สําคัญคือที่หนึ่งฟ้าพูดปเป็นที่3คือว่าเราคงต้องหากรรมการชุดนี้กันเพื่อมาคลี่คลายเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะบอลบอลก็อาจจะเปิดเวทีอย่างช่วยกันระดมความคิดแต่ว่าในที่สุดก็ต้องต้องหาตรงนี้ให้ได้แล้วก็มาแก้แตอนนี้ออกาประเด็นที่3คือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่พอดีหนึ่งฟ้าพูดว่าลงสีลงปุย๋ยแล้วก็สากลมีเครื่องจักรเครื่องมื อ, มอไหม